ก็นี่หละเสียงพัดลมเข้าไหมโอเคอ่ะได้แล้วทานนี้พร้อมหรื อ, อยังระบบพร้อมคนพร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมขึ้นหรื อ, อยังนี่อันนี้ขึ้นไลฟ์แล้ว ก็ถ้าขึ้นแล้วก็จเจริญพรกับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์ในเพจธรรมราวาทุกท่านก่อนระยะการไลฟ์อธิบายธรรมะก็ทิ้งระยะห่างหายกันไปนานเพราะว่าภารากิจค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในโอกาสวันนี้ที่ได้มาไลฟ์เพราะว่าต้องการอยากจะทำความเข้าใจกับ ข้อธรรมที่เป็นส่วนที่เครือบแคลงหรือทำให้เกิดความไม่เข้าใจกับสิ่งที่เป็นข้อมูลทางภระไตปิฎกเนื่องจากว่าพระอาจารย์พยายามสร้างองค์ความรู้จริงๆก็อาศัยองค์ความรู้ที่มาจากภระไตปิฎก นั่นแหละเปลี่ยนแต่ว่ามาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่การสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่เนี่ยบางอย่างมันมีความขัดแย้งกับพระไตรปิฎกโดยตรงเพราะบางเรื่องเป็นเรื่องที่พระอาจารย์วิเคราะห์ขึ้นมาบนหลักการและพื้นฐานทางด้านการปฏิบัติเฉพาะทางเฉพาะพระอาจารย์เองมีเรื่องหนึ่งที่ถูกทวงติงจากครูบาอาจารย์ในเรื่องที่พระอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับโลภะ โทสะโมหะว่าไม่ใช่กิเลสถามว่าที่พระอาจารย์อธิบายตรงนี้เนี่ยก็มาจากพระตรปิฎกนั่นแหละทีนี้การที่พระอาจารย์เอาออกมาจากพระไตรปิฎกเนี่ยพระอาจารย์ดึงออกมาโดยการพูดถึงพระไตรปิฎกตรงๆเพราะในในในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นคืออกุศลละโมสูตรก็ไม่ได้พูดว่าโลภะโทสะโมหะ เป็นกิเลสคือไม่ได้พูดตรงๆอย่างนั้นนะแต่ครู บ, บาอาจารย์ท่านบอกว่ามันมีความเป็นกิเลสคือความผิดนั้นผิดตรงเนี้ยนะผิดตรงที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่กิเลสแต่จริงๆครู บ, บาอาจารย์ที่ท่านทราบความหมายที่พระอาจารย์ได้ขอคําแนะนําขอความรู้ท่านท่านบอกว่ามันจะมีความมันมีความเป็นกิเลสตรงเนี้ยอยู่ในโลภโทสะโมหะอยู่แต่อยู่ในพระสูตรเนี่ยคือกล่าวโดยสูตรตรงๆเลยก็คืออกุศลละสูตร ก็จะเดียยกพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังแล้วก็มีแนวคิดในคราวครั้งต่อไปว่าถ้าหากการอธิบายธรรมะใดก็ตามที่พระอาจารย์จะอธิบายถ้าไม่มีพระสูตรทางพระไตรปิฎกรองรับพระอาจารย์ก็จะไม่สามารถที่จะตอบคําถามโดยที่ไม่มีข้ออ้างจากพระสูตรทางพระไตรปิฎกเพราะว่าพระอาจารย์ก็รักพระไตรปิฎกแล้วก็อยากจะรักษาหลักคําสอนพระไตรปิฎกให้คงไว้เพื่อที่จะ ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสื่อสารหลักคำสอนในอกุโสรมูลสูตรสุตันตะปิฎกคุธกฎดิกายคุธกะปาถะธรรมบทอุทานอิติวุตกะสุตตนิบาตอันนี้ขอใช้เป็นฉบับอันนี้ฉบับ91บเเล่มหรือเปล่าหรือว่าฉบับหลวง น, นี่ไม่แน่ใจเรื่องดึงฉบับเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีระบุไว้ในเอกสารข้อ228้อจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตัดแล้วพระสูตรนี้พระพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันรตรัดแล้ว อกุศลรมูล3ประการนี้3ประการนี้เป็นชนคือโลภะเป็นอกุศลรมูล1นึ่งโทสะเป็นอักุสุลรมูล1โมหะเป็นอักุศลมูล1ดูก่อนห้สุดทั้งหลายอักุศลมูล3ประการนี้แลเนื่องจากว่าพระสูตรเนี่ยกล่าวโลภะโทสะโมหะว่าเป็นอักุศลมูล พระอาจารย์ก็เลยอธิบายโ ล, โลพาโทสาโมหะเนี่ยโดยความเป็นอกุศลทีนี้โดยความเป็นอกุศลเนี่ยพระอาจารย์ไปกล่าวได้กล่าวในอกุศลบุญว่าไม่ใช่กิเลสเพราะว่าเข้าใจว่าพระพุทธองค์มุ่งกล่าวความเป็นอกุศลตามพระสูตรนี้ก็เลยกล่าวตามพระสูตรนี้พระอาจารย์ไปเพิ่มเขาว่าไม่ใช่กิเลสแต่จริงๆแล้วโลภาโทสาโมหะที่ครูบาอาจารย์ท่าน ได้ให้ความรู้และคาแนะนำมาบอกว่ า, วามันคือกิเลสเพราะกิเลสแบ่งเป็นสามจะเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาทางข้อมูลวิชาการก็จะได้เข้าใจอยู่แล้วว่าอนุสัยกิเลสนี่คือกิเลสแบบละเอียดแล้วก็กิเลสระดับกลางเรียกว่าปริยุทธฐานะกิเลสคือกิเลสประเภทกลางที่เกิดจากการปรุงแต่งทางความคิดได้ ก็คือกลุ่มนิวนหัห5อะไรประมาณนี้แล้วก็กิเลส ท, ที่เป็นวีติกามกิ et, เลสเรียกว่ากิเลสที่ทําให้เกิดการล่วงทุจริตในในธรรนองนี้นั่นคือกิเลสสประการซึ่งมันมีอยู่ในเชิงวิชาการเขามีอยู่ในเชิงวิชาการคืออยู่ในส่วนของอัตถกถาอัตถกาถาจารย์ที่อธิบายไว้แต่โดยพระสูตรจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวโดยพระสูตรเนีย่ยเพียงแต่ว่าฉะนั้นเขาถือว่า โดยหลักนะถือว่าโดยหลักโดยวิชาการโดยความรู้โดยแบบแผนโดยการยอมรับทางความรู้หรือทางวิชาการนี่โลภะโทสะโมหะเรี่กเป็นกิเลสฉะนั้นพระอาจารย์เคยกล่าวถึงโลภะโทสะโมหะนี้ว่าเป็นอกุศลแล้วพูดต่อไปอีกว่าไม่ใช่กิเลสอันนี้ก็เลยกลายเป็นความผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดนี้ก็ต้องขออภัยกับการสื่อสารในความผิดพลาดเพราะว่าถือเอาว่าพระสูตรนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นกิเลสก็เลย ลงความเห็นเอาว่าไม่ใช่กิเลสฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องได้กล่าวแก้กล่าวแก้ให้พวกเราได้ทราบแต่ก็มีข้อมูลหลายๆพระสูตรมากที่พูดถึง อ, อากุศลอย่างตัวอย่างเช่นสุตตันตปิฎกที่ขณิกายปาติกกวัตหน้าที่163ข้อที่222ร้อ่องค์ตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทรมีประเภทละสม ที่พระภูมิภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตสัส ม, มาสมพุทธเจ้านั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วแลแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังขา ย, ยนาไม่พึงเก่าแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์ น, นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมีสามประการขออภัยทำมีประเภทละสามละสามเป็นไนอกกุศลรมูลสอย่าง1อกุศลรมูลคือโลภะอกุศลรมูลคือโทสะอกกุศลรมูลคือโมหะอันนี้แหละคือสิ่งที่พระองค์ตัดไว้ฉะนั้นโดยพระสูตรส่วนมากก็กล่าว โลภาโทสาะโมหะว่าเป็นอกุศลนั้นแล้วก็มีอยู่ในพระวินัยปิดกจุลวาวะภาคหนึ่งหน้าที่302ข้อ6 3 9ถึง641ว่าด้วยเรื่องของอกุศลรมูล3รากแห่งอกุศลมูล3เป็นมูลแห่งวิวาธาที่กรเป็นไฉไหนดูกรพิสูน์ทั้งหลายก็พิสูนทั้งหลายในธรรมวินัยนี้มีจิต โลภะวิวาทกันมีจิต โ, โกรธโกรดวิวาทกันมีจิตหลงวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรมข้อหนึ่งข้อสองนี้เป็นวินยัยนี้ไม่เป็นวิไนข้อสนี้พระตถาคตเจ้าตรัสภาสิทธไว้นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัสภาสิทธไว้ข้อสี่นี้พระตถาคตเจ้าทรงประพฤติมานี้ พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติมาข้อหนี้พระตถาคตเจ้าทรงบัญญัติไว้นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ข้อ6นี้เป็นอาบัต่นี้ไม่เป็นอาบัติก้อ7นี้เป็นอาบัติเบานี้เป็นอาบัติหนักข้อ8นี้เป็นอาบัตมีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัตหาส่วนเหลือไปได้ข้อ9นี้เป็นอาบัตชั่วยา นี้เป็นอาบัติไม่ชั่วยอยากรากแห่งอากุศลสามอย่างนี้เป็นมูลแห่งวิวาววิวาะวขออภยัยวิวาทาที่กรก็คืออธิกรที่นำไปสู่การวิวาทกันก็มีรากข้ามาจากอากุศลการที่พระองค์ตัดโดยความเป็นรากขึ้นคืออากุศลเนี่ยคื อ, คอพูดถึงมูลเหตุตัวนำก่อเกิดเรื่องราวต่างๆ ด้วยความที่พอาจารย์อ่านและก็ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่แหละว่าโดยความอักขุศลเนี่ยหรือว่าโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลก็เลยไม่ได้ไม่ได้นึกหรือไม่ได้คิดหรือไม่ได้พยายามที่จะทําความเข้าใจว่ากิเลสกับอกุศลเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะพระอาจารย์ยึดถือว่าอากุศลก็คืออกุศลอย่างเงี้ยกิเลสก็คงจะเป็นส่วนของกิเลส ในส่วนที่มีคําตรัสเกี่ยวกับว่ากิเลสก็มีอยู่เหมือนกันนะในกิเลสแต่ก็ไม่ได้พูดถึงอกุศลโดยตรงนะ ก, ก็ก็มีอยู่ตรงนี้ที่ทําให้พระอาจารย์ได้สื่อสารออกไปเนี่ยค่อนข้างจากคาดเคลื่อนหรือไม่คาดเคลื่อนหรือยังไงก็ตามแต่ก็ได้รับพอความรู้มาแล้วว่ามันเป็นความคาดเคลื่อนจากความเข้าใจที่พระอาจารย์เข้าใจตามบทพระสูตรเพราะการอ่านอ่า น, านหรือศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายอย่างมากที่ทําให้ข้อมูลบางข้อมูล ทำให้เราเข้าใจแบบไม่ชัดเจนหรือไม่เด็ดขาดไปในข้างใดข้างหนึ่งเนื่องจากว่ามีในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงกิเลสโดยตรงกล่าวไว้ชัดเจนเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงก็คือพระสุตตันตปิฎกคุตการนิกายมหาดิเทศหน้าที่239ข้อที่446้สี่หกถึง4ี่้อสี่เจ็ด คำว่าขอเชิญพระ อ, องค์จงตรัสบอกว่ากิเลสเหล่านั้นมีมาแต่อะไรความว่าพระพุทธนิมิตตรัสถามสอบถามขอให้ตรัสบอกเชิญให้ทรงแสดงขอให้ประกาศซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดแดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสบไทัยคือที่เกิดเหมือนกัน แห่งกิเลส8ประการนี้ว่ากิเลส8ประการนี้คือความทะเลาะความวิวาทความรำพันความโศกความตนีความถือตัวความดูหมิน่นและความพูดส่อเสียดมีมาคือเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏมาแต่อะไรคือมีอะไรเป็นนิทานทั้งหมดเหล่านี้เป็นการถามตอบแบบเป็นของพุทธเนลมิต อันนี้คือคำถามคำตอบก็คือผู้โร่งบอกว่าทั้งบทเนี่ยที่ที่ว่ากิเลส8ประการเนี่ยเนี่ ย, ยกิเลสแปประการทั้งบดเนี่ยความทะเลาะความวิววาดความรำพันความโศตรณีถือตัวดูมินความผู้สเศเนี่ยมีแม้แต่อะไรเนี่ยโป่งก็ตัดเป็นพุทธนในระมิดนะักตัดตอบว่าปิยปะหูตากาละหะวิวาดาปริเดวโสกาสหมัชราจมานาติมานา สหเปสุนาจปัญญาเปหิแลวก็มีปัญนาเล็กมัดเฉิยุตตากระหัขอัยกระหาวิวาดาวิวาดะชาเตสุจะเปสุนานิเปสุนานิก็คือมูลเหตุทั้งหมดที่พูดถือเมื่อกี้เนี่ยก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก คือความความรักสิ่งที่เป็นในทิรักษ์นี่แหละที่ทําให้เกิดการทลละเลาะวิวาดรําพันเศร้าโศกตันดีถือตัวดูบินแล้วก็พูดส่อเสียดสิ่งเหล่านี้อันนี้คืออันนี้คื อ, อพระสูตรที่กล่าวถึงกิเลสโดยตรงกล่าวก่าวแบบนี้ฉะนั้นแต่การกล่าวแบบนี้เนี่ยโดยครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้รู้ที่ท่านได้แนะนำมาท่านบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็มีมูลเหตุมาจากอากุศลฉะนั้นอกุศลก็คือส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิเลสและพระอาจารย์มีความเข้าใจเพื่อที่จะอธิบาย เขาว่ากิเลสในส่วนของอวิชชาเพื่อให้ลูกศิษย์หรือสิ่งที่พระอาจารย์วางข้อบปฏิบัติไว้เนี่ยได้เข้าใจวิธีการเข้าไปสู่การทำลายอาวิชชาคือมูลเหตุของกิเลสทั้งปวงนะพระอาจารย์ก็เลยมุ่งกล่าวถึงอวิชชาเป็นตัวกิเลสที่ชัดเจนส่วนโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นส่วนอกุศลเป็นเป็นางเง้าจึงไม่ได้มองว่าเป็นกิเลสแต่ก็มีความเป็นกิเลสอยู่ตาม ความรู้ตามคํากล่าวที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนํามาซึ่งตรงนี้มันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดของพระอาจารย์เองในส่วนนี้เพราะว่าจิ ต, ตของพระอาจารย์มุ่งไปการกล่าวถึงอวิชชาเป็นสําคัญว่าเมื่อใดก็ตามที่อวิชชาไม่ได้ถูกทําลายไปวงจรแห่งกิเลส ท, ทั้งปวงนไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวก่อให้เกิดทุกข์หรือกิเลสตัวก่อให้เกิดภพชาติมันก็จะไม่ดับเพราะพระโตอง์ตัดในบทบาลีว่าอาวิชชายตเววะ อเซสัวิลาขะนิโรธาสังขารนิโรโทรความดับไปโดยไม่เหลือของอวิชชาทั้งหมดถ้ามันดับโดยไม่เหลือแนละ้วมันก็ทั้งปวงเนี่ยกิเลส ท, ทั้งปวงก็จะดับหมดมก็เลยมุ่งกล่าวไปถึงอวิชชาว่าเป็นกิเลส ท, ทีนี้คุณอาจารย์ก็บอกว่ากิเลสในชั้นอวิชชาเป็นชั้นละเอียดนะการพูดถึงกิเลสในชั้นละเอียดเนี่ยคนจะเข้าไปไม่ถึงการปฏิบัติเข้าไปได้ยากมากอันก็แนะนํามาอย่างนั้นจานั้นก็เลยต้องพูดถึงกิเลสชั้นหยาบก็คือกลุ่ม โลภะโทสะโมหะฉะนั้นการที่พระอาจารย์ยกพระสูตรขึ้นมาก็เพื่อจะให้เข้าใจที่มาที่ไปในการที่พระอาจารย์สื่อสารตั้งแต่แรกว่าโลภะโทสะโมหะไม่ใช่กิเลสอย่างไรแต่เป็นอกุศลอย่างไงตัวเนี้แหละคือสิ่งที่พระอาจารย์สื่อสารออกมาจากข้อมูลนี้แต่ก็ได้รับการแก้ไขความเข้าใจให้ถูกต้องแต่เรียบร้อยแล้วจึงได้นํามาชี้แจงและอธิบายให้ทราบ แล้วก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นความข้อถกเถียงหรือมีการท้วงติงอะไรกันบางอย่างในข้ อ, อนี้กันมาโดยตลอดจริงๆพระอาจารย์ก็รู้มาโดยตลอดตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นสมเด็เห ม, มือนกันว่าโลภะโทสะโมหะก็เป็นกิเลสก็เรียนมาเหมือนกันเพียงแต่ว่าการอ่านพระสูต ร, รการแยกแยะ ก, ยการวิเคราะห์บางอย่างมันทําให้ได้ให้พระอาจารย์ได้มองเห็นมองเห็นอะไรมันข้อปฏิบัติ ที่เราจะนํามาสู่การปฏิบัติในระดับในระดับหรือว่าในระยะในเบื้องต้นเนี่ยว่ามนุษย์เรามีความโลภมนุษย์เรามีความโกรธมนุษย์เรามีความหลงทีนี้การที่มนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมนุษย์ก็เลยพยายามจะกําจัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือคือโดยปกติการกําจัดเนี่ยข้อปฏิบัติจึงมีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการทําสมาธิหรือการทําเจริญปัสานาการเจริญสติอะไรก็ตามทีนี้ก็มีตัวอย่างของบุคคลผู้เจริญฌาน เพื่อดับความโลภความโกรธความหลงได้ก็คืออุทกดาบทอาราดาบทหรือผู้ทําสมาธิทั้งหมดก็คือโลภะโทสะโมหะไม่เกิดแต่กิเลสไม่สิ้นเพราะว่ามันมีอนุัยกิเลสละเอียดอันนี้คือที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํามาว่ามันมีอนุใสกิเลสละเอียดทำหน้าที่อยู่ในนั้นอยู่แต่โลภะโทสะโมหะมันไม่เกิดมันไม่มีฉะนั้นท่านจึงไม่ได้พ้นจากวติจักฉะนั้นการเชื่อมโยงขององค์ธรรม นำไปสู่การชี้ให้เราได้เห็นว่าตัวที่เราจะต้องละก็คือการทำอวิชชาให้หมดสิ้นไปด้วยการเจริญอริยมรรคซึ่งทั้งบทเหล่านี้พุทธองค์ลำดับการละไว้อย่างชัดเจนว่าบุคคลละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีริรปรามากได้เรียกว่าโสดาบันอันนี้ละได้อย่างเด็ดขาดข้อนี้เป็นคำกำกับตายตัวแล้วว่าต้องละสิ่งนี้ได้ถึงจะเข้าถึงความเป็นโสดาบัน แล้วสักายทิฏฐิวิจิกิจชาศีรับประดับปรามาส ก, ก็จะมีโลภาโทสาโหาหะเป็นพื้นฐานของกิเลสชน่น ด, ดีเพราะว่าสังโยชน์เนี่ยคือตัวกิเลสซึ่งมีอวิชชาทําหน้าที่เกิดร่วมอยู่ด้วยในกลุ่มของสมุทยัยตรงเนี้ไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ว่านี่นี่คือการอธิบายแบบองค์ธรรมหรือข้อธรรมบุคคลผูดว่การมราคะปฏิฆะได้อย่างเบาบางเรียกว่าสกัดทาคามีอันนี้ก็เท่ากับเป็นคํากํากับตายตัวไปแล้วว่า ะละอะไรและเข้าถึงผลได้อย่างไรซึ่งก็มีรากโลพาโทสวาวโมเข้าไปเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยแล้วก็บุคคลละการมคาคะปดิค้าได้หมดสิ้นก็เรียกว่าอนาคามีซึ่งกิเลส ท, ที่ถูกละแต่ละอันเนี่ยอันนี้อยู่ในส่วนของคำว่าสังโยต์ก็เรียกว่ากิเลสสังโยต์ทั้งหลายซึ่งก็มีอวิชานี่แหละเป็นรากเน้าอาวิชานี่คือสบุไทยทั้งหมดฉะนั้นจะนับรวมกิเลส ท, ทั้งปวงเนี่ยก็นับรวมทั้งอวิชชาทั้งสังโยต์ทั้ง โลภะโทสะโมหะก็ น, นับรวมไปนับรวมไปด้วยกันเปียนแต่ว่ามันมีการแสดงออกของตัวกิเลสนั้นในระดับใดตัวเนี้ยคือสิ่งที่เป็นรายละเอียดในข้อทำข้อปฏิบัติซึ่งองค์ธรรมเราเนี้ยจริงๆ จ, จุดมุ่งหมายทั้งหมดก็เพื่อจะละโลภะโทสะโมหะเหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการอธิบายไปในระดับใดปฏิบัติไปในระดับใดแล้วก็เพื่อเข้าไปสู่การละนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่า เราจะไม่ได้ละโลภะโทสะโมหะผานสมถะหรือฌานแล้วสงบโลภะโทสะโมหะด้วยสมถะและฌานนั้นแล้วก็คิดว่าหมดกิเลสเอาอย่างเช่นบางคนบอกว่าความโลภเป็นกิเลสก็ปฏิบัติโดยไม่โลภไม่โลภแล้วก็ปฏิบัติเข้าถึงสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งไม่โลภ ก, ก็เท่ากับว่าสิ้นกิเลสแล้วองก็เข้าใจว่าตัวเองสิ้นกิเลสจริงๆมันมีกิเลสตัวละเอียดอยนุัยกิเลสทําหน้าที่อยู่ โดยที่ไม่รู้ท่าน ก, กิเลสมันมั น, ม, นมันจึงมันจึงมันเป็นผลพวงอันหนึ่งแล้วว่าเป็นผลทางเคียงอันหนึ่งเหมือนกันนะที่เท่าที่พระอาจารย์เจอหรือพระอาจารย์พบกับบุคคลผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาบอกผมไม่โลบแล้วผมไม่โกรธแล้วผมไม่ห ล, ลงแล้วจิตของผมทรงอยู่โดยเป็นกลางทรงอยู่แบบมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมโรคก็ไม่เกิดโกรธก็ไม่โกรธหลงหลงก็ไม่เกิดเท่ากับว่ากิเลสไม่มีก็ก็ถูก นะกิเลสไม่มีตัวนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นกิเลสนะสิ้นกิเลสแต่ทีนี้ด้วยความเข้าใจว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสปับ๊บพอสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดเนี่ยก็เข้าใจว่าตนเองจะไม่มีกิเลสซึ่งมันก็มี เ, เกิดขึ้นอยู่ในวงของปฏิบัตินักปฏิบัติอยู่เหมือนกันเนในส่วนนี้ก็เลยนํามาออธิบายหรือชี้แจงให้พวกเราได้ฟังและพวกเราแยกแยะนะด้วย คำอธิบายแบบนี้ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะแต่ขอให้แยกแยะและเข้าใจด้วยปัญญาของตนเองจากนั้น เ, เรื่องที่อื่นๆอีกใดๆก็ตามที่เป็นการอธิบายที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะที่พระอาจารย์อธิบายเองเป็นมุมวิเคราะห์บางอย่างที่เป็นมุมวิเคราะเนี่ยพระอาจารย์ก็จะพูดไว้ในเชิงวิเคราะห์นั้นว่าเป็นความเห็นของพระอาจารย์อันนี้ไม่ได้เข้าไปทําให้ข้อมูลทางภัะตบิดกเสียหาย ถ้ามันเป็นจะเป็นความผิดในมุมวิเคราะห์ที่พระอาจารย์วิเคราะห์ในข้อธรรมหรือองค์คำใดนั่นคือคือความผิดที่พระอาจารย์อธิบายไปเองด้วย ม, ม, มุมของอาจารย์เพราะหลักคําสอนของพุทธองค์เนี่ยมองไปได้หลายมุมและเราสามารถวิเคราะห์ อ, ออกมาด้วยทัศนะของเราส่วนการวิเคราะห์ อ, ออกมาที่จะเป็นผิดหรือถูกประการใดก็ตามน่ยหรือถ้าเป็นความผิดเองขอให้แยกแยะให้ได้ว่าความผิดนั้นไม่ได้ต้องการบิดเบือนหรือทําให้ข้อมูลทางพระไิฎกเสียหาย หรือขาดเคลื่อนแต่เป็นความผิดที่พระอาจารย์วิเคราะห์ อ, ออกมาด้วยความเข้าใจจากประสบการณ์จากองค์ความรู้หรือสิ่งที่พระอาจารย์ปฏิบัติมาที่พอจะมีความรู้วิเคราะห์ในเรื่องนี้ได้อาจจะเป็นความรู้อนน้อยนิดที่ไม่พอในการที่จะเข้าใจในความถูกต้องอ น, นันได้ถ้าเป็นความผิดประเภทนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นความผิดเฉพาะพระอาจารย์ไม่ได้เป็นความผิดที่ทาให้พระบิดกผิด หรือคาดเคลื่อนฉะนั้นคนที่รับฟังการอธิบายธรรมะที่พระอาจารย์วิเคาะที่พระอาจารย์มักจะพูดว่านี่คือความเห็นพระอาจารย์ทัศนะของพระอาจารย์ก็ขอให้มองมาที่พระอาจารย์หากคิดว่าการวิเคราะห์นี้ผิดหรือไม่ถูกต้องแล้วมีความรู้สึกแหมจะด่าพระองค์นี้เหลือเกินก็ด่านะก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านว่า จะดาแบบไหนพรออาจารย์ก็ยอมรับว่าถ้าหากสิ่งนั้นมันเป็นความผิดจริงพระอาจารย์ก็ยอมรับว่านั่นคือสิ่งที่มันเป็นความผิดแต่จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างความเข้าใจลืมมุ้งไปสู่การปฏิบัติในการแก้ไขหรือกําจัดกิเลสแบบเดียวกันแล้วก็วิเคราะห์ อ, ออกมาอย่างนั้นตามความเข้าใจของพาาระอาจารย์ฉะนั้นบทธรรมบางบทข้อธรรมบางประการนะก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งบทนะส่วนถูกมันก็มีนะส่วนผิดมันก็มี มันเป็นเรื่องปกติเพราะมีมีใครสามารถรู้ได้ทุกเรื่องพระอาจารย์เองก็ไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องแม้แต่พระอรหันต์สาวกในคราครั้งพุทธกาลเองอ่าที่ภาษาลีบุตรเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็มีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันพระอาจารย์เองก็ดูภายในส่วนหนึ่งของบุคคลผู้มีความผิดพลาดในส่วนนั้นแล้วก็ยอมรับความผิดหาเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นขอให้มีความผิดนั้นยุติอยู่ที่พระอาจารย์อย่าพยายามนำสิ่งที่พระอาจารย์พูดหรือวิเคราะห์ในเชิงผิดอ่าเอาไป เชื่อมโยงกับพระ์ตาบีโดกแล้วอบอกว่าเป็นการบิดเบือนหรือทำให้พรยทตาบิโดกเสียหายซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีและก็ไม่พึงกระทำนะฉะนั้นแล้วรายเรื่องที่พระอาจารย์ไม่ได้ออกมาชี้แจงซึ่งพระอาจารย์ทราบดีว่าเรื่องแต่และเรื่องนั้นถูกถูกนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรนะพระอาจารย์ก็เข้าใจดี แล้วคำวิาพากษ์วิจารณ์ที่ที่วิาพากษ์วิจารณ์มาพระอาจารย์ก็รู้พระไตรปิฎกที่ถูกยกขึ้นมาหรือข้อความที่ถูกยกขึ้นมาเพื่ อ, อนํามาสู่การกล่าวแย้งกล่าวโต้กล่าวโจมตีในสิ่งที่พระอาจารย์พูดผิดพระอาจารย์ก็เคยศึกษาเคยอ่านเคยผ่านการวิเคราะห์ให้ควรมาแล้วแต่เป็นการวิเคราะห์ในชั้นของความคิดความเห็นมุมหรือทัศนะของพระอาจารย์เอง พราะพรจาร์มีจุดมุ่งหมายในการที่จะสร้างข้อเท็จจริงหรือหาข้อเท็จจริงการมองหาข้อเท็จจริงหรือสร้างข้อเท็จจริงเนี่ยอยากจะรู้จริจรงๆเนะี่ยว่าธรรมะบางบทมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่พระองค์ตัดนั้นเราจะสามารถรู้และเข้าใจได้เลยมันมันรู้เข้าใจเลยไม่ได้ในทีเดียวเราจะต้องเกิดการวิเคราะห์า น, น้นการวิเคราะห์มันจึงมีส่วนทั้งถูกและส่วนทั้งผิดแต่จุดมุ่งหมายก็คือพาผู้ปฏิบัติไปสู่การดับทุกขนะ์ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือทําทุกข์นั้นให้ดับไป ทำกิเลสนั้นให้สิ้นไปนมุ่งหมายเข้าไปสู่การแก้ไขสิ่งที่ก่อให้เกิดกิเลสหรือความทุกข์อยู่บนจิตใจของคนฉะนั้นหากเป็นความผิดพลาดใดที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยต่อผู้รับฟังก็ทิ้งบทวิเคราะห์หรือคําอธิบายที่พระอาจารย์เคยอธิบายที่เป็นความผิดพลาดนั้นไปก็ต้องขออาภัยในส่วนที่เป็นความผิดนะต่อครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะที่ พระอาจารย์ก็เคารพมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วก็อย่างยิ่งเลยในในในวันนี้ก็คือพระอาจารย์ได้กราบขอขอพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้คําแนะนําในทางที่ดีในทางในความเป็นกัลยะาณมิตรในการหวังดีและกระท้วงติงและให้คําแนะนํามานะซึ่งส่วนนี้พระอาจารย์ก็จะอยากจะทําให้หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทางพระตรปิฎกนะเป็นหลักคําสอนที่ยังคงเป็นหลักยึดและเป็นเกณฑ์ในทางสังคมในทางศาสนา เพื่อนนไปสู่การขับเคลื่อนศาสนาไปสู่จุดที่ถูกต้องด้วยกันและก็สร้างความเข้มแข็งของศาสนาร่วมกันมีใครอยากจะให้อธิบายข่าวข้ออะไรอีกทุกวันนี้จะพูดอะไรต้องอมีพระไตรปิฎกยืนยันต่อไปพระอาจารย์ก็จะพยายามหาข้อมูลทางพระไตรปิฎกมาอ้างอิงอยู่เสมอไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นความผิดพลาดาบางประเด็น มีมีสองคำถามนะเจ้าคะ่ะเดี๋ยวโยมขอคำถามนี้ก่อนกลาบนามสการพระอาจารย์ต้นเจ้าคะ่ะช่วงนี้โซเชียลถกกันมากตามคลิปที่พระอาจารย์ตอบคําถามเรื่องที่ว่าโสดาบันสามารถมีวันไนสแตนวันไนสแตนในที่นี้คือการที่อ่าหญิงชายเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้ว มีความสัมพันธ์กันแล้วก็จบกันไปภายในหนึ่งคืนนะคะกับผู้อื่นได้ไหมถ้าโสดพระโสดาบันเนี่ยสามารถมีความสัมพันธ์วันไนสแตนกับผู้อื่นได้ไหมถ้าโสดแม้ว่าพระอาจารย์ตอบแล้วว่าปกติโสดาบันจะไม่ทำอย่างนั้นแต่ถ้าทำก็ถือว่าพระโสดาบันผู้นั้นเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อน ข้อนี้โยมจึงอยากขอให้พระอาจารย์แก้ไขและอธิบายอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งเ้อค่ะโอเคนะเอา น, นึกจากว่ามันมีบทที่พระองค์ตัดไว้ว่ากินจาปิโสกัมมังกโรติปาปังกายเยนะวาจายุดะเจตสาวาอาภะโปโซตัสสะปิิทัายะอาภะปะตาดิตะประสุตา พระโสดาบันยัง ท, าทางาาาไไําบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างเพราะความพลาดพลัง้งแต่ท่านก็ไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นได้เพราะความที่พระโสดาบันได้เห็นบทคือพระริพานแล้วซึ่งตรงเนี้โดยพระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่มีทางระเบิดศีลไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นไม่มีทางระเบิดที่พระอาจารย์บีเคราะห์ไว้เนี่ยพี่พระอาจารย์วิเคราะห์ไว้ว่าเมื่อพระโสดาบันยังทําบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างเพราะความพลาดพลั้งพระอาจารย์นณ ang บีเคราะห์ว่า แล้วบาปกรรมอะไรที่พระโสดบันจะทําลงไปได้ในเมื่อศีลของท่า น, นเป็นศีลที่บริบูรณ์แล้วท่านจะทําบาปกรรมอะไรได้บ้างก็เลยมาไล่ดูว่าบาปกรรมที่ท่านจะสามารถทําได้มันจะเกิดจากสังโยชน์ที่เหลืออยู่นำไปสู่การทําการล่วงละเมิดในส่วนที่เป็นบาปกรรมชนิดนั้นฉะนั้นสังโยชน์ที่เหลืออยู่ของพระโสดาบันคืออะไรการาคะกับปฏิฆะ พระอาจารย์ก็เลยอธิบายเชิงวิเคราะห์ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เอ า, าพระไต่ปิฎกออกมายืนยันในข้อนี้แต่ว่าเชิงวิเคราะห์ในบทบทบาลีที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยซึ่งก็คืออยู่ในรัตรสูตรว่าถ้าหากพระโสดาบันจะทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจ แน่นอนว่าการทําของท่านจะไม่ทําด้วยเจตนาจงใจเพื่อที่จะกระทำซึ่งพระเจย์ก็กล่าวไว้แล้วว่าจงใจจริงๆเนี่ยจะกระไม่ได้เแส้งมันมีภาวะ บ, บางอย่างนอกเหนือนั้นซึ่งพระเจ้าก็ไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไรความผิดพลาด ท, ที่จะเกิดขึ้นความที่จะนําไปสู่การทําแบบนั้นอะไรก็ตามหรือเหตุปัจจัยใดๆก็ตามาที่นําไปสู่สู่การทําแบบนั้นที่เป็นความผิดพลาด ฉะนั้นความว่าพระโสราบันยังทำบาปกรรมทำกายบาจาหรือใจไปบ้างพระอาจารย์ก็เลยวิเคราะห์จากสังโยชนี้ยก็คือการมาราคผลดิฆาที่เหลืออยู่นะซึ่งมีการอธิบายอยู่ในพระไตรปิฎกอันนั้นเป็นการอธิบายในส่วนของพระพิสุทสงฆ์ในเรื่องของพระวินัยแต่อันนี้ในส่วนของคารวาที่เป็นการตั้งคําถามใ น, ในตัวบุคคลฉะนั้นภาวะบางอย่างที่นอกเหนือจากความจงใจเหนือจากกิรณาเหนือจากการที่ท่านมุ่งจะกระทําผิดตรงเนี้ย ที่ปัญญาทิ้งค้างไว้ที่ปัญญาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็นตัวเหตุอะไรที่จะตัวนําไปสู่การทําความพลาดพลั้งไว้ได้ฉะนั้นถ้าเรามาตั้งคําถามว่าพระโสดบันเนี่ยยังด่าคนอยู่ไหมด่าไหมถ้าพระโสดาสดบันยังด่าคนได้การด่าอยู่ในศีลข้อไหนมุสาวาตอยู่ใน พุทธลุศวัตใช่ไหมอยู่ในมุสาวาทของพุทลุศวาตใช่ไหมเพราะมุสาวาทจะมีสี่ใช่ไหมหนึ่งมุสาวาทกล่าวเทศสองพุลุศวาตคําหยาบสามอิสุนาวาจาส่อเสียดสี่สัมภปละ ป, ปะเพอเจอถ้าพระสดบัตยังด่าได้เอาขีศินข้อนี้ก็ผิดใช่ไหมแต่ด่าไม่จงใจจ่าแน่นอนอาจจะเป็นการด่าแบบเพ้อด่าเหลยหรื อ, อยังไงหรือ <c oughs> คือ การวิเคราะห์ในส่วนที่พระอาจารย์วิเคราะห์มันเป็นการวิเคราะห์เพื่อสร้างมุมมองหรือทิ้งประเด็นให้เราได้มีกระบวนการทางด้านการพิจารณานะอะไรก็ตามที่เราเชื่อไปเลยโดยที่ขาดการวิเคราะห์เราจะไม่ได้เข้าใจมุมบางมุมที่เราควรจะเข้าใจที่พระอาจารย์พูดตรงนี้เพื่อให้เกิดการระวังไว้ว่าเผื่อว่าหากว่า ในในข้อที่ว่าพระโสดาบันยังทําบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจไปบ้างจะได้มีการระวังตนเองเพราะว่ามันมีภาวะที่อยู่เหนือเจตนากันอยู่ในบางสิ่งบางอย่างเพราะกิเลสเวลามันเกิดมันเกิดอยู่เหนือเจตนาสังโยชน์พวกนี้เวลามันครอบงำใจคนเนี่ยมันงอยู่เหนือเจตเจตนาอยู่แต่ถ้าจะให้พระโสดาบันไปตั้งใจทําจริงๆเนี่ยพระอาจารย์ก็พูดตั้งแต่แรกว่าแน่นอนท่านไม่สามารถที่จะไปทําอย่างนั้นได้เพราะมันเกี่ยวโยงกับศีลของท่านด้วยศีลของท่านท่านจะมีความละอายท่านจะเว้นโดยปกติอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ฉะนั้นแล้วการวิเคราะห์ไว้อย่างนี้ไม่มีอยู่ในแบบไม่มีอยู่ในตาําราเป็นการวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์และเป็นการตอบปัญหาในเฉพาะหน้าในเวลานั้นแล้วก็วิเคราะห์ขึ้นมาในเวลานั้นจึงไม่สามารถที่จะหาข้อมูลมาอธิบายหรือรองรับในข้อนี้ในเวลานั้นได้จึงตอบไปแบบนั้นและวิเคราะห์ออกไปอย่างนั้นถ้าหากเป็นความผิดก็ด่ามานะก็ยอมรับว่า ถ้าหากว่ามันจะเป็นความผิดแต่ขอให้มองว่านั่นคือพระอาจารย์วิเคราะห์ไว้ทิ้งไว้ให้ได้ฉกคิดกันว่าควรจะเป็นยังไงถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไร ก, ก็แค่นั้นนะคำถามข้อที่สองนะคะการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเราไปรับรู้ว่าแม่ของเราคุยกับผู้ชายคนอื่น ผู้ชายคนนั้นก็มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกเขาตามตรงเขาจะไม่ยอมรับแล้วบอกว่าเราคิดมากเราควรบอกเขาอย่างไรดีเจ้าคะบอกเลยคิดมากก็ไม่เป็นไรล็อกบอกไปตรงๆเลยก็ควรจะคิดมากนั่นแหละอย่าคิดน้อยคิดเยอะเยอจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ก็จะได้เข้าใจนะอย่างน้อยการบอกก็จะเป็นการเตือนสติท่านอย่างหนึ่งจะพอใจหรือไม่พอใจกันก็ควรจะบอกกันแต่ก็อย่าไปบอกซ้ำๆอย่าไปบอกแล้วเล่าบอกแล้วบอกเล่า อ, อย่างเงี้ยอันนั้นจะมีปัญหาอื่นตามมาบอกแบบสกิให้ท่านได้รู้อะไรประมาณนี้ ลองดอูคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ที่ลงไว้มีใครคอมเมนต์ที่จะให้พอาจารย์อธิบายเรื่องอะไรบ้าง ท, ที่ก่อนไลฟ์หน้าหน้าก่อนหน้านั้นมีอยู่ถือว่าเป็นโอกาสที่พอาจารย์ได้มีโอกาสมีเวลาจริงๆมีช่วงเวลาจริงๆจะเอาเป็นช่วงเวลาที่ว่างจริงๆก็ก็ไม่ได้ว่างแบบเพราะเมื่อกี้ก็กว่าจะเข้ารายการเขาเข้าไลฟ์ได้ก็มี กิจอื่นที่ทำแล้วก็เสร็จนี้ก็จะมีกิจที่ควรทำไปกว่านี้นะมีไม่ไม่ก่อนที่พระอาจารย์ลงไว้ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ไลฟ์นะใครเข้าใจยังไงวันนี้พระอาจารย์ก็ เปิดเต็มที่แล้วแหลนะเพื่อที่จะพยายามนำหลักธรรมให้มาอยู่ในจุดที่ถูกต้องร่วมกันผิดก็ยอมรับผิดว่ากันไปตามผิดยอมแก้ไขนะไม่ดื้อด้านนะอะไรก็ตามที่คิดว่าพระอาจารย์อธิบายผิดก็ท้วงติงเข้ามาชี้แจงเข้ามาเม้นแต่ละเม้นเข้ามาได้เลย คำถามต่อไปนะเจ้าค่ะการมัสการพระอาจารย์ผมนับถือและศรัทธาพระอาจารย์และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระอาจารย์เสมอคนนี้เขามีสามคำถามนะเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งอยากทราบว่าการเข้าถึงพรารตนาตรายพระอาจารย์ยังยืนยันคำเดิมเป็นพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถไหมเจ้าค่ะไหมครับ พระอาจารย์ต้องบอกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็เติบโตมากับสังคมยึดถือพาระตะนาไตรามาตั้งแต่เด็กและเข้าใจว่าตัวเองมีพาระตะนาไตรบวชเรียนก็กล่าวคำเข้าถึงพาระตะนาไตรพูดทางธนงกชามิบวชมาเป็นพิสุก็รับไตสรณคมปฏิบัติมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งจิตรู้สึกเบื่อหน่ายต่อ การเป็นอยู่ในฐานะความเป็นพิศพิสารทั้งทางที่กำลังทั้งทาที่มีความตั้งใจปฏิบัติอย่างสูงมีความตั้งใจอย่างดีที่จะฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตัวเองถึงวันหนึ่งจิตมันหมดกำลังจิตมันอ่อนแอจิตมันไม่สามารถที่จะไปต่อในเพศสมณะนี้ได้และอยากจะหันหลังให้กับศาสนานั่นคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับพระอาจารย์ และในระหว่างนั้นพระอาจารย์ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าพระราตนตรัยซึ่งพระอาจารย์เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วจะไม่อธิบายซ้ำเติมพระอาจารย์พบกับคาว่าพระราตรัยซึ่งมันเป็นพระราตรายที่พระอาจารย์ไม่เคยถูกบอกสอนมาก่อนเป็นพระราตรายที่พระอาจารย์ไม่เคยรับรู้รับทราบมาก่อนเป็นพระราตรายที่ทําให้พระอาจารย์รับรู้ได้ว่านี่คือที่พึ่งทางใจที่สามารถพึ่งพาได้โดยความที่พระอาจารย์สัมผัสกับพระราตรายในกรณีนี้นั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พระอาจารย์อยู่กับศาสนา เป็นวันที่ทําให้พระอาจารย์ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อด้วยการที่พระอาจารย์ได้รับรู้ถึงองค์คุณของพระนาตัยที่เกิดขึ้นบนจิตใจของพระอาจารย์เองจึงมองไปถึงคนอื่นๆว่าคนอื่นได้เข้าถึงพระนาฏัยแบบเดียวกันนี้เหมือนเราหรือไม่ถ้าหากเขาไม่ได้สามารถเข้าถึงพระนาฏัยแบบเดียวกันกับเราแน่นอนว่าจิตเวลากระทบกับอารมณ์ความรู้สึกปัญหา กิเลสอาสวะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้บีบคั้นจิตใจเนี่ยคนคนนั้นจะรู้สึกดีถ้าใครรู้ถ้าใครเจออํานาจของกิเลสที่บีบขันจิตใจอย่างหนักหน่วงจะรู้สึกดีว่ามันเลวร้ายมันมันขนาดไหนท่านทานที่การบวช เ, เป็นสิ่งที่ดีแต่ทําไมพระอาจารย์ถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนทางที่เราจะอยู่กับสิ่งนี้ได้อีกต่อไป ฉะนั้นกิเลสเวลามันเกิดแล้วใจเราไม่มีหลักยึดและสิ่งที่พึ่งที่เกิดขึ้นบนจิตใจเรามันไม่มีให้เรายึดพึ่งได้จริงๆมันสัมผัสไม่ได้มันแตะต้องไม่ได้สมาธิทําไหมทําจงกลมสมาธินี่ทำอยู่เป็นประจําศีลของตัวเองไล่เช็คอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดความด่างพ้อยด้วยซ้ําเคยจเจริญสมาธทิทรงอยู่ได้เวลาพูดไปเดี๋ยวก็จะมีการกล่าวถึงบาเวลาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ทางการปฏิบัติเรื่องสมาธิสมถทะทีเยมีคนว่าม า, มาอุตริ เวลาพูดไปมันมีเรื่องหลายเรื่องต้องระมวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาพูดธรรมะแต่พอถึงมันเสื่อมลงเนี่ยมันแทบจะไม่มีเหลืออะไรเหลืออยู่แล้วกิเลสทั้งนั้นที่มันอัดแน่นอยู่ในหัวใจแล้วความทุกทุกอนุอยู่ในหัวใจเนี่ยคิดดูว่าคนที่มีความทุกทุกอนุอนุคือทุกจุดไม่มีช่องว่างของความสุขให้เหลืออยู่ในจิตใจดวงนั้นเลยมันจะขนาดไหน พระอาจารย์รู้ดีว่าจิตที่ไร้ที่พึ่งขาดที่พึ่งเวลาเจอความทุกข์เนี่ยมันอัดแน่นอยู่ข้างในจะเรียวกวจัดเป็นบ้าก็ว่าได้ขนาดนั้นแต่พอกระแสพระรัตนตัยมันเกิดไอความทุกข์เหล่านั้นมันดับไปมันหายไปจึงเห็นคุณค่าของพระรัตนตัยมากฉะนั้นพระอาจารย์จึงพยายามสร้างวิธีการต่างๆเพื่อให้คนเข้าถึงพระรัตนตัยเพราะหลายคนที่เข้ามาสู่วิธีการปฏิบัติ ที่ต้องการอยากให้พยาอาจารย์สอนยอมเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์และอยากให้พาาระอาจารย์สอนเนี่ยพยาอาจารย์ก็ต้องสอนพระราตรัยให้เขาเข้าถึงก่อนเพราะถ้าเขาไม่เข้าถึงพระราตรัยเนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่รู้จะให้เขาพาเขาปฏิบัติไปยังไงเพราะพระอาจารย์ก็เคยปฏิบัติมาก่อนหน้าที่ไม่ก่อนที่จะรู้จักพระราตรัยปฏิบัติมาแล้วไปถึงจุดเสื่อมแล้วมันไปต่อไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแบบไหนยังไงพระอาจารย์ไม่อยากจะให้ไปเจอตรงจุดนั้นพอเป็นนี้พระราตรัยรองรับมันจะสามารถปฏิบัติไปถึงในระดับต่อไปได้ง่ายกว่า นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นประสบการณ์ จ, รจันทร์อาจารย์ยังจะยืนยันอยู่ตลอดว่าพระรัตนต ย, ยังเป็นที่พึ่งให้กับชาวพุทธได้อยู่และกระบวนการและวิธีการในการเข้าถึงพระรัตนตจะต้องทำแบบนี้หากมีวิธีอื่นที่สามารถเข้าถึงพระัตนตรัยได้และคนๆ น, นั้นสามารถเข้าถึงได้ก็ก็ใช้วิธีนั้นได้แต่ถ้าเป็นหลักการของอาจารย์พระอาจารย์จะใช้วิธีการนี้เพราะนี่คือวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์ ในตัวบุคคลที่เข้ามาสู่หลักการของพระตาตัยแล้วแล้วก็ยังยืนยันอย่างเงี้ยจนถึงวันตายก็ขออนุมโมทนาที่ตั้งคำถามเข้ามาแล้วก็อนุมโมทนาที่มีศรัทธาต่อพระอาจารย์แล้วก็คำถามต่อไปนะเจ้าคะพุทโธธรรมโมสังโคภาวนาเป็นสมถะอย่างเดียวหรือเข้าถึงพระตนาตายด้วยได้ไหมครับ ประสบการณ์ตรงนี้พระอาจารย์ไม in ่มีพรที่ผ่านมาพระอาจารย์ก็เคยท่องพุทโธมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันพระอาจารย์อยู่กับหลวงตาเสียงียมหลวงตาเสียงียมเป็นหลวงตาของพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่กับหลวงตามาตั้งแต่อยู่ปหนึ่งเรียนอยู่ปหนึ่งกินข้าวโกนบาทล้างบาทเทกะทนถูกุฏิให้ท่านก็บอกให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธตามสายลูกปูมันเพราะหลวงตาเสียงยมเป็นลูกศิลป์ลูกปูมันก็ท่องพุทโธอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กท่องมาก็ยังกลัวผีอยู่ ท่องพุทโธพุทโธพุทโธมาตลอดอยู่ก็ยังเจอความทุกข์ความเศร้าโศกความวิตก ค, ความกังวลอะไรต่างๆนานาอยู่บนจิตใจก็ท่องพุทโธเป็นโโถ ค, ควบคุมกํากับใจตัวเองอยู่เหมือนกันก็ทํามาก็ไม่ใช่ไม่ทำจนมาบวชก็เ น, นี่ยแหละตามที่เคยเล่ามาไปอ่านไปไปย้อนกลับไปดูว่าตั้งแต่บวชพระอาจารย์ทําอะไรมาบ้างฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่ถามถามมาเมื่อกี้เนี่ยว่าจะเข้าถึงพรานาตัยได้ไหม แต่บทพุทโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธนี้เป็นบทที่พระอาจารย์ได้ทดลองรับพิสูจน์พระอาจารย์ดเคยใช้บทอื่นๆมาแล้วในเรื่องของการเข้าถึงวาระตั้งแต่พุทธทางสร้างคะฉามิพระอาจารย์ก็ให้ทุกคนทดลองท่องย้ำๆซ้ซําๆพุ ท, ทโธพุ ท, ทโธพุทโธพระอาจารย์ก็ท่องให้เขาท่องพุทโธเป็นพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ ก, ก, ก็ท่องให้เขาท่อง สัมมา阿拉หังก็ให้ท่องเพื่อให้เข้าถึงพระราตไทหรือบทอื่นๆก็พยายามหาจุดที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงพระราตไทเพราะจุดประสงค์ของพระอาจารย์คือยังไงก็ได้ที่ให้เขามีการยึดพึ่งพระราตไททางใจได้สุดท้ายมันไม่ได้บทนี้พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนะโถพระอาจารย์เลยใช้คํานี้เป็นคําจําเพาะเพื่อให้เข้าถึงพระราตไททางใจแล้วสามารถยึดพึ่งพระราตไททางใจได้จึงใช้บทนี้นะ ฉะนั้นบทอื่นพระอาจารย์ไม่สามารถให้การรองรับให้การยืนยันได้ว่าเข้าถึงได้หรือเข้าถึงไม่ได้แต่บทพูดโธทมโาโถสเนี่ยพระอาจารย์ยืนยันว่าสามารถเข้าถึงพระทาตไหนได้จริงคําถามต่อไปนะเจ้าค ะ, ะน้ำมสการพระอาจารย์ต้นครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายย้ําในเรื่องที่ว่าวิญญาณเป็นเจตสิกเนื่องจากว่า มีบทพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าวิญญาณอย่างลงอวิญญาณอย่างลงเป็นปัจจัยในการอย่างลงนามาลูปจึงปรากฏเมื่อวิญญาณอย่างลงก็แลีปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยอย่างลงก่อให้เกิดนามารูปปรากฏพอนามาลูปรากฏนามก็คือกาละละปรากฏ ขอไปรูปก็คือกาละละอันนี้พูดถึงการเกิดขึ้ น, นในคันบันดานะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระวินัยปิฎกนะการยังลงของวิญญาณเนี่ยทําให้มีพร้อมกันกับกะละละนั้นการยังลงของวิญญาณพร้อมกักบกาละละนั้นนะทําให้จิตปรากฏปฐมังจิตตังจิตดวงแรกปรากฏพอจิตดวงแรกปรากฏปับ๊บวิญญาณจึงปรากฏ มันมีลำดับของมันบินยาณจึงปรากฏฉะนั้นจิตปรากฏขึ้นก่อนปฐมังจิตตังบินยานปฐมังบินยาณังบินยาณก็ปรากฏมาตามทีหลังอันนี้เป็นการอาธิบายไว้อยู่ในพระวินัยปิฎกทีนี้ในพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าอนิจจสูตรอนิจจสูตรนั้นอธิบายไว้ว่าเมื่อจิตเบื่อหน่ายในรูปจิตเบื่อหน่ายในเวทนาจิต เบื่อหน่ายในสัญญาจิตเบื่อหน่ายในสังขารจิตเบื่อหน่ายในวิญญาณเนี่ยจิตเบื่อหน่ายในวิญญาณวิญญาณเป็นสิ่งที่จิตต้องเบื่อหน่ายทีนี้พระอาจารย์มาไล่เลียงว่าอรูปนะเป็นองค์ประกอบมาจากธาตุทั้งส่ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกสังขารเป็นเจตสิกพระอาจารย์ก็เลยตีความหมายเอาโดยการวิเคาะ ในบริบทของคำนี้ว่าเมื่อเวทนาเป็นเจตสิกสัญญาเป็นเจตสิกสังขารเป็นเจตสิกวิญญาณก็ต้องเป็นเจตสิกนี่คือการวิเคราะห์จากพระอาจารย์หรือทัศนะของพระอาจารย์เพราะว่าในอนิจจสูตรบอกว่าจิตต้องเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายในวิญญา ณ, ญามญญาณเมื่อเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วย่อมสลัดออกเมื่อสลัดออกย่อมดำลงอยู่เมื่อดำลงอยู่ด้มดับสนิทเฉพาะตนก็คือจิตนั้นดับเฉพาะตนฉะนั้นการการ อธิบายของพระอาจารย์จึงเป็นการอธิบายในแง่มุมที่เกิดจากการวิเคราะห์ที่พระอาจารย์วิเคราะห์มุมมองของพระอาจารย์โดยอาศัยบริบทของพระสูตรหรือพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นบทวิเคราะห์ตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นการอธิบายพระอาจารย์จึงมองว่าเมื่อเวทนาะสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเยนสิกวิญ ญ, ญ, ญาณก็ควรจะเป็นเนจนสิกคือสิ่งที่ต้องประกอบกับจิตหรือปรุงแต่งจิต อย่างเงี้ยนี่คือบทวิเคราะห์พระอาจารย์ผิดก็จะยอมรับผิดกับบทวิเคราะห์นี้นะถามต่อไปนะเจ้าคะเท่าที่ฟังธรรมของพระอาจารย์ไม่ค่อยได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับไตรลักษณ์เลยอยากให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องไตรลักษณ์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรหรืออยู่ในส่วนไหนของการเจริญมรรคครับ เวลาพุทธเจ้าแสดงปรมัทเธศสนาครั้งแรกพุทธองค์ก็มาสอนเรื่องไตรลักษ์พลสอนเรื่องมรแปดก่อนพอบอกมรแปดปุ๊บก็บอกขันห้าสังขิเตนะปัญจุปาดานะคันธาดกขาแล้วก็บอกอริยสัจแล้วก็พูดถึงความเห็นดันสมบูรณ์คือเห็นความเกิดความดับเป็นธนรรมดาจริงๆแล้วไตรลักมันอยู่ที่ความเกิดความดับเนี่ย สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานั่นแหละไตรักอยู่ที่นั่นแหละแต่คนไม่เข้าใจว่าไตรักอยู่ตรงนั้นคือสิ่งที่เกิดดับเป็นธรรมดานั่นแหละคือไตรักเพราะอะไรเพราะสิ่งใดก็ตามที่เกิดเนี่ยทําไมมันต้องดับก็มันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงต้องดับมันไม่คงทนสภาพเดิมนั่นแหละเป็นเรื่อว่าทุกขลักษณะมันจึงเกิดการแปรปวนมันเสื่อมสลายไปนั่นแหละจึงเป็นอนาตตาควบคุมบังคับให้มันคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเนี่ ไตรักมันจะอยู่ในนั้นนี่คือส่วนในเองการเจริญอริยมรรคไตรักมันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้พูดว่าเป็นไตรักแต่ให้เข้าใจพูดง่ายๆว่าปุถุชนจะไม่สามารถเข้าใจไตรักได้โดยตัวของไตรักเลยปุถุชนยังไงก็ตามเรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่สามารถเข้าใจไตรักได้เลยเพราะถ้าเข้าใจไตรักได้นั่นคือละมันจะมีการละอาสวะบางส่วนออกไปจากจิตได้ เพระไตลักษณ์จะต้องถูกรับรู้โดยายานัทธสัญญาณยานที่เกิดจากผลแลยานของอัลยมักฉะนั้นบุุรชนสามารถรู้การเกิดการดับได้การเกิดการดับของขันห้าเนี่ยบุตรชนรู้ได้แต่ไตลักษณ์เนี่ยพอดูการเกิดการดับแล้วเข้าถึงมัคคายานพอเข้าถึงมัคคายานถึงจะเห็นไตลักษณ์ด้วยยานนั้นฉะนั้นจะไม่สามารถรับรู้ด้วยภาวะปกติ โดยบริชนจะมองจะไม่เห็นต้องเข้าถึงความเป็นสวดาบันก่อนแล้วก็พระองค์จึงสอนเรื่องไตรลักษณ์ที่หลังใช่ไหมแล้วไตรลักษณ์ที่พระองค์สอนก็สอนเรื่องอนัตตก่อนนะรูปเป็นอนัตตานะเบชนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วก็พอพูดอนัตตาปุ๊บถึงพูดอนดิจจังนะแล้วพูดทุก ข, ขังนี่คือในอนัตตลคณะสุดจากนั้นไตรลักษณ์เอาไปส้อนที่หลัง อันแรกก็ต้องสอนมักแปขันห้าอริยสัจการเกิดการดับสอนตรงนี้ให้เข้าใจก่อนในฐานะปุถุชนนอกจากอาผู้เป็นพระโสดาบันแล้วไม่ต้องไปสอนก็ได้เขาจะเห็นของเขาเองไปรักมันจะค่อยๆ เ, เผยออกมาให้เขาได้รับรู้เองหรือไปอ่านตำรับตำราอ่านอะไรก็จะเข้าใจโดยยาณทัศนะอ่านนั้นยาณทัศนะจะพาให้เขาได้รับรู้รับทราบและเห็นสิ่ง น, นั้นเองคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะ เนื่องจากว่าลูกศิษย์บางกลุ่มรวมถึงผมด้วยจะตัดคลิปธรรมะเก่าๆของพระอาจารย์มาเป็นตอนสั้นๆอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าต่อไปจะมีกฎเกณฑ์หรือข้อควรระวังอย่างไรหรือไม่ครับตรงนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจทั่วกันว่าคือพระอาจารย์อยากจะให้มีข้ออ้างอิงทางพระไตรปิฎก ถ้าอยากจะตัดคลิปท่อนไหนลงไปแล้วไม่มีข้ออ้างอิงทางพระตาบีดกยังไม่อยากจะให้ลงเพราะว่ามันเป็นจุดในการกล่าวโทษกันได้ง่ายมากแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในวงโซเชียลเสียงกลดาเสียงโจมตีเสียงบิดพาวิจ า, ารเสียงกล่าวโทษเสียงพวกนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์สักเท่าไหร่ เพราะเขาลืมดูจุดมุ่งหมายของการอธิบายธรรมะว่าจุดมุ่งหมายนั้นเป็นไปเพื่อการสร้างการดับทุกข์หรือแก้ไขทุกข์แก้ไขปัญหาเพียงแต่บางอย่างไม่ได้ตรงกับพระไตรปิฎกเพราะเป็นบทวิเคราะห์หรือเป็นองค์ความรู้เฉพาะบางอย่างที่พระอาจารย์วิเคราะห์ขึ้นมาฉะนั้นในยุคนี้เขายึดถือกันว่าการอ้างอิงทางพระไตรปิฎกสร้างความน่าเชื่อถือในบทกล่าวนั้นในคําพูดนั้น เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือผิดเพี้ยนเพราะว่าพระไตพิดกเป็นสิ่งที่ถูกลักษามานานแล้วมีคณะที่รักษาพระไตพิดกที่ปกป้องพระไตพิดกไม่อยากจะให้การอธิบายข้อธรรมที่คาดเคลื่อนไปจากพระไตพิดกเนี่ยทำให้พระไตพิดกหรือขัดกับพระไตพิดกหรือเสียหายจากผ้าไตพิดกนะเป็นการลดหรือด้อยคุณค่าพระไตพิดกไป จริงๆเ จ, จ, จ, จตนาหรือจุดประสงค์ของพพระอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราพระอาจารย์ก็ดึงเรื่องเรามาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละมาอธิบายเพียงแต่ว่าเป็นอธิบายเชิงวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ของพระอาจารย์เองตัวเนี้ยถ้าหากมันในสังคมเรายังต้องการขออ้างอิงทางพไตรปิฎกอยู่พระอาจารย์ก็อยากจะให้ลงข้อความอ้างอิงทางพไตรปิฎกลงไปด้วยจะเป็นส่วนดีในการทําคลิปในแต่ละคลิปออกไป เป็นการป้องกันสิ่งที่ที่จะเป็นข้อถกเถียงกันซึ่งก็นในวงโซเชียลและต่อไปเพธรรมนาวาก็จะลงข้อธรรมที่เป็นพระไตรปิฎกต่อไปก็จะเป็นข้อธรรมพระไตรปิฎกเท่านั้นถ้าไม่มีข้อธรรมที่เป็นพระไตรปิฎกก็จะไม่ลงก็จะลงเฉพาะพระไตรปิฎกต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อป้องกันการกระทบกันเนื่องจากศาสนาเราบอบชั้ำมานานแล้วการกลดา การว่าร้ายกันการโจมตีกันมันง่ายมากที่จะพูดให้กันในด้านรลายๆแต่การจะรักษาพระศาสนาไว้เนี่ยเราจะรักษาพระศาสนาส่วนในไว้เนี่ยมันคือความสำคัญวิภาควิจารณ์วิภาวิจารณ์ไปได้แต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนั้นน่ไม่มีใครรู้บางคนไม่ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากตัวพระอาจารย์เองก็ใช้คำพูด ที่เรียกว่าอะไรไม่ค่อยไว้หน้ากันเท่าไหร่ก็ไม่เปไ็นไรอันนั้นคือคือในส่วนที่เขาแสดงทัศนะของเขาออกมาอย่างนั้นพระอาจารย์ยอมรับได้เสมออันนี้เป็นเรื่องปกติแต่จุดรุ่งหมายของพระอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยต้องการอยากให้ผู้คนได้เข้ามาสู่การศึกษาเรียนรู้พระธรมคำสอนระดับทุกให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในจิตใจของตัวเองนั่นคือความสาคัญต่อไป เสียงไม่ดังนั่นฮัลโหลสำหรับผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการคอมเมนต์ปรามาต์พระอาจารย์กันอย่างสนุกปากบางก็เรียกพระอาจารย์เฉยๆและอื่นๆอีกมากมายสำหรับคนกลุ่มนี้พวกเขาจะเจอวิบากอะไรครับ ก็เจอวิบากแบบเดียวกันเหมือนกันกับพระอาจารย์เจอนี่แหละพระอาจารย์ก็คงจะเคยปากไม่ดีมาเหมือนกันก็ลายมาเหมือนกันถึงเป็นแบบนี้มันก็ต้องมีบางยุคบางชาติที่มีมิจฉาทิฏฐิบางชาติที่ถือมานะถือตนถือตัวแล้วก็ใช่วาจาไปในทางละลานคนนั้นคนนี้ก็ได้รับวิบากส่วนในส่วนนั้นก็ไม่เป็นไร กรรมทั้งปวงก็จงเปน็นโหสิกรรมต่อกันตลอดกาลละนานก็อย่าให้บางอี ก, กรรมอะไรเกิดขึ้นกับเขานะเพราะว่าพระเจ้าก็รู้ดีว่าวิถีของชีวิตมนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้วงจรแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์ที่ตกอยู่ภายใต้วงจรแห่งกรรมนั้นะ่ะจึงเห็นใจกันและกันอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ขอถอไปมีอยู่มีไหมในไลฟ์มีไหมในไลฟ์ทุกหรือเวทนาขัน อาจเกิดจากขันอื่นในระบบขันหได้ใช่หรือไม่เช่นสัญญาขันจำเรื่องที่ไม่ดีทำให้สัญญาขันหะไทยวิญญาณก็รับกระทบส่งต่อเป็นเวทนาขันก็ได้เพราะขันทั้งหมดเกิดร่วมกันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกันและกันได้เป็นอย่างนั้น จบแล้วแลยนานานมาทีนึงมีมีอีกนานนะจะได้มาไลฟ์เจอกันทีนึงมี ม, มีอี ก, อกไหขอความเมตตาอธิบายพระสูตรที่ว่าไม่คิดถึงสิ่งใดไม่พูดถึงสิ่งใดไม่มีใจฝันลงสิ่งใดอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณ น, นี้ มาจากขันห้าหรือปฏิจจะสบุ ป, ประบาทครับการไม่คุณคิดถึงคุณคุณคิดถึงสิ่งใดปักใจลงไปในสิ่งใดอันนี้ก็เป็นนิการโดยบริบทของตัวสังขารละขันตัวเจเจตนาะเนื่องจากว่าการดำเนินอริมอรอยมรรคไปในระดับหนึ่งถ้าไปเห็นเห็นธรรมชาติของอสังขตะคือคือจิตเข้าไปรับรู้รับทราบอสังขตะจิตจะไม่มีการปากักคุณคิด ใจลงถึงในสภาพอารมณ์ใดๆไม่ที่จะเป็นที่ตั้งของวิญญาณมันมันมันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าถ้าปฏิบัติไปถึงะระดับพบกับสภาวะที่เรียกว่าอสังขตะตรงเนี้ยมันจะหายไปแต่ถ้ายังไม่พบกับอสังขตะพยายามที่จะไม่คุ้นคิดพยายามที่จะไม่ปักใจคุ้นถึงไม่ไม่ปักใจถึงมันก็มันพยายามไปเท่าไหร่ก็พยายามไม่ได้นะเพราะว่ามีธรรมชาติเดียวเท่านั้นที่ทําให้หยุด การคุ้นคิดถึงปักใจถึงไม่เป็นที่ตั้งแห่งบิญญาณได้ก็คืออสังขตะก็คือวันทีพผ่า น, านเนี่ยการนมัสการครับขอสอบถามจิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาเขียนบอกว่าโลกนี้หมุนเคลื่อนไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาหลุดไปในหลากหลายสถานที่ แล้วเขาก็ร้องไห้ผมให้คำแนะนำเขาไปว่าให้ระลึกถึงพระพ ร, ะระตัตนตรัยเอาไว้ตลอดเวลาที่รู้สึกตัวอยากสอบถามว่าผมแนะนำผู้ป่วยถูกต้องหรือไม่ครับหรือมีคำแนะนำอื่นจากพระอาจารย์หรือไม่ครับก็ดีระ ล, ล, ลึกถึงพระรัตนตรัยนี้ไว้เป็นสำคัญ ไม่ว่าเขาจะไปรับรู้รับทราบภาวะใดก็ตามที่นอกเหนือจากการรับรู้รับทราบในภาวะปกติที่ควรจะรับรู้การรับนถึงพระไาฏยังเป็นเครื่องรองรับในถิ่งที่เขาไปรับรู้จิตไปรับรู้อะไรก็ตามจะมีพระนาตยตามติดไปรับรู้ในสิ่งนั้นๆด้วยในพบนั้นๆในเรื่องนั้นๆในสภาพการนั้นๆก็ให้มีพระนาฏยรองรับกับจิตติดไปด้วยกันได้ก็จะเป็นส่วนดีสาหรับ หมดยังก็มาสิคราบพุทธคุณโดยบทสวดเพื่อสันเสริญอย่างเดียวสามารถเข้าถึงพรรตตรัรได้ไหมครับอาจสามารถที่จะเข้าถึงได้เหมือนกันต้องให้คนที่มีประสบการณ์ในการสวดบทพุทธคุณนี้มาแชร์ นะ ล, ลองดูว่ามีมีใครไหมที่ทดสอบท่องบทอสวดบทพุทธคุณอิติปิโสพระกวารหังสมัสมสมาสัมพุทโธอย่างเงี้ยซ้าําๆยํำๆซ้าําๆยํำๆซ้าําๆยํำๆแล้วจิตเข้าถึงพระรัตนาตรัยได้เนี่ยลองลองมีตัวอย่างถ้าใครมีตัวอย่างหรือใครเป็นแบบนี้โดยประสบการณ์ก็อยากจะให้มาช่วยแชร์ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้คนอื่นได้สามารถเข้าถึงพระรัตนาตรัยได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีก็อาจจะเป็นได้อาจสามารถเข้าถึงได้ ไตสรณคมเป็นการขอเข้าถึงการยึดถือการถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกถ้าท่องภาวนาไปเรื่อยๆจะถึงไตสรณคมหรือพาลตนาตรัยไหมครับใช่ไตรแปลวา่า3าสรณะแปลว่าระลึกคมแปลว่าถึงการเข้าถึงพารตนาตรยโดยการระลึก พูดไดง่ายว่าหลักคําคําเนี้ยเป็นคำคำกับไว้แล้วว่าจะเข้าถึงรัตนาไตจด้วยการระลึกไม่มีวิธีอื่นมีวิธีคือระลึกเพราะคําว่าไตาสรณ น, นครคือถึงโดยการระลึกระลึกให้ถึงระลึกจนเข้าถึงคําว่าเข้าถึงคือต้องมีการเข้าไปถึงคำว่ากาไปถึงคือต้องปฏิบัติโดยการระลึกไม่ใช่จูๆ่ๆจะพูดว่าพุทธโทพุทธัทงธนัตถะมิจะเข้าถึงเลย มันต้องมีตัวปฏิบัติเพราะเข้าถึงเนี่ยมันคือการเข้าไปถึงมันคือการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็คือระลึกเพราะว่าคำาสาระคือการระลึกแปลว่าการระลึกมาจากคําว่าสาระธาตุธาตุแห่งการระลึกนะมีคําถามจาก โ, โ, โยมโอมครับโยมโอมพุทธยุชนครับตั้งแต่ท่ากรรมฐานสี่ไล่ไปจนถึง จับลงขันห้าแล้วก็ลงสู่อริยสัจสี่สามารถยกพระสูตรไหนในพระเตยปิดอกมาเทียบเคียงได้บ้างครับอาจารย์เอาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระสูตรโ น, น้นมารวมกันสร้างองค์ความรู้โดยเฉพคือพระสูตรเนี่ยเขาจะพูดสูตรถ้าขันห้าก็ขันห้าถ้าอริยสัจก็อริยสัจ <laughs> มันแยกกันไปเลย แต่พระอาจารย์จะเอารวมมาเพื่อสร้างองค์ความรู้ว่าทําอย่างไรให้เกิดความเจริญอริมักไปได้หรือถ้าเอาพสูตรโดยตรงก็อยู่ในธรรมจักรกัปนัสูตรได้แหละในธรรมจักรกัปนสูตรเนี่ยอันหลับแรกที่พูดถึงทางสายกลางก่อนใช่ไหมละ่ะอันดับที่สองพูดถึงขันห้าใช่ไหมว่าสังคิเตนะปัญจุปาดาลขันธาทุกขาพอยกขันห้าขึ้นมาแล้วก็ยกอริยสัจสี่มาบอกว่าสิ่งนี้คือทุกข์อะไรละ่ะขันห้านี่แหละ คือทุกเหตุให้เกิดทุกก็อยู่ในขันห้านี่แหละการดับทุกการดับอยู่ในขันห้านี่แหละข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อการดับทุ ก, ก็อยู่ในขันห้านี่เรว่าร์กก็ยอยู่ในท ร, รมจากกบฏสูตรสูตรนี้คือรวมหมดเลยเพียงแต่ว่าเราอ่านมันเหมือนกับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชแบบวิธีพยัญชนะสอนคือแบบวิธีพยัญชนะสอนคือเดือขบคิดหรือขบตีวิเคราะห์ออกมาออกเป็นองค์ความรู้แล้วเพราะมันเป็นองค์ความรู้อย่างเนี้ย ก็เลยตั้งคําถามว่าเอามาจากไหนองค์ความรู้เนี่ยก็อยู่ในธรรมะจากกรัมมะสูตรนี่แหละแต่ธรรมะจาธรรมจากกัมมะสูตรไม่ได้อธิบายหรือพูดแบบนี้แต่เนื้อหาในธรรมะกรัรมมะสูตรเนี่ยมีอยู่เป็นที่ตั้งให้ได้เรียนรู้แม้แต่สบุทไทเก่าสบุทไทใหม่คนก็ตั้งคําถามว่าเอามาจากไหนอีฟทั้งทั้งที่ก็ไม่มีในพระไตรปิฎกก็อยู่ในพระสูตรนั่นแหละอยู่ในปฏิสุบบาทในเรื่องของสบุทไทวาระก็คือการ ก่อเกิดของความทุกข์ใหม่การก่อเกิดพบใหม่เยอะไหมล่ะสมุทัยเก่าก็อยู่ในอริยศาสตร์นี่แหละสมุทยัยสัจจะมันเป็นการอธิบายโดยการเชื่อมโยงจากพระสูตรนั้นพระสูตนี้ลงมาเป็นองค์ความรู้เพื่อทําให้เราได้มีจุดมุ่งหมายในการดําเนินอริยมรรคให้ได้อย่างเงี้ยในความหมายถูกครับถึงเนี้มันจะไม่ตรงเป๊ะมันจะขาดเกลอพญานก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะพญานพยาพยามจะทําให้ความรู้เนี่ยมัน ถูกเอาไปใช้จริงบนชีวิตของคนแล้วความรู้เอาไปเอาไปใช้บนชีวิตของคนเนี่ยมันก็ดับทุกจริงๆในชีวิตของคนไดนะ้แม้บางครั้งมันไม่ได้ตรงเป๊ะกับการกล่าวในพระไตรปิฎกทุกตัวเนี่ยมันก็ก็สุดที่จะอธิบายแล้วว่าจะจะเอายังไงนะเพราะว่าแม้แม้พระไตรปิฎกมีอยู่แต่ไม่สามารถไปปฏิบัติได้จริงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนอย่างเงี้ยมันต้องสร้างเป็นองค์ความรู้ก่อน ตอนนี้คนดูเก้าร้อยกว่าพัประมาณเกือบพันครับมีแต่คนให้กำลังใจพระอาจารย์ทางนั้นเลยครับก็ขออนุโมทนากับโยมทุกท่านที่ถวายกำลังใจกับพระอาจารย์มาในโอกาสนี้ก็ขอให้พวกเราได้เข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติได้รับผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจและปรารถนาพระอาจารย์ก็พยายามที่สุดแล้วในการที่จะสร้างองค์ความรู้มากๆเลยจากพระไตรปิฎกมันก็มีความผิดพระอาจารย์ก็ ขอยอมรับว่าในส่วนผิดนั้นเป็นความผิดจริงๆถ้ามันเป็นความผิดโดยที่มันไม่ตรงกับพระไตรปิดกเลยเนี่ยก็เป็นความผิดพลาดแต่ก็ความผิดพลาดถ้าจะพูดถึงความพลาดเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่ใช่ความผิดเลยทีเดียวเพราะว่าไมไ่มีความจงใจหรือไม่มีเจตนาที่จะทําให้ผิดก็เรียกว่าพลาดนะถ้าอาภาัยให้กันได้ก็อยากจะให้พวกเราอาภัยในความเทียบในความพลาดที่อาจารย์ได้พลาดไหมได้พลาดไว้แล้วก็ อาจารย์ก็พยายามจะขอคําแนะนําชี้แนะหรือขอความรู้จากท่านที่รู้หรือทรงเข้าใจปิฎกหรือมีความเข้าใจทางด้านพระบาลีให้คําแนะนําอยู่เสมอก็อยากจะให้หลักความรู้และองค์ความรู้เหล่าเนี้สมบูรณ์ที่สุดนละดีที่สุดและอยากจะมอบองค์ความรู้เหล่าเนี้ให้กับพวกเราแล้วหวังว่าองค์ความรู้เหล่านี้ะะ จ, ะนววนจะเป็นองค์ความรู้ที่นําพาพวกเราไปสู่ความดับทุกข์และสิ้นทุกข์และสร้างศักยภาพที่ดีให้กับ พวกเราแล้วจะทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเข้มแข็งด้วยความรู้ทางด้านการปฏิบัตินะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่พระอาจารย์ยอมที่จะเปิดใจยอมที่จะแก้ไขยอมที่จะนําสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็รักษาพระไตรปิฎกนะพระอาจารย์ไม่ต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเจตนาในการที่จะลดหรือด้อยค่าพระไตรปิฎกจริงๆรรักพระไตรปิฎกมากเพราะศึกษาอ่านพระไตรปิฎก เยอะมาพอสมควรบนการอา่านหรือบนการศึกษามันทําให้พระจานทร์มองเห็นมุมหลายมุมอ่ะมุมหลายมุมที่หลักคาสอนของพระองค์เนี่ยมองได้หลายมุมหลายนัยยะมากเลยจนบางทีพระจานทร์จับมุมหนึ่งขึ้นมาสู่กรรเคราะห์แล้วเกิดเป็นความรู้ก็ใช้ความรู้ตรงนี้แต่เชื่อมโยงกับพระไตรปิฎกในมุมที่มีกล่าวไว้อย่างไรนั้นเพียงแต่มันไม่ตรงกับข้อที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นเท่านั้นเองบางอย่างบางประการ น, นะแต่บางเหตุ จากนั้นก็เลยมาชี้แจงแล้วก็ทําให้พวกเราได้รับทราบร่วมกันนะต่อไปเพจธรรมนาวาจะเป็นการลงข้อทําใดๆก็ตามจะมีการอ้างอิงพระไตรปิฎกร่วมด้วยเสมอและอาจจะลงข้อความทางพระไตรปิฎกตรงๆไปเลยก็ได้ต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะมีความแปลไปจากเดิมแล้วก็การที่จะมาพูดไลฟ์ กับพวกเราก็คงจะทั้องน้อยลงพอาจารย์ก็รู้ว่าพวกเรามีคําถามมากมายเยอะแยะในการที่จะถามกับพระอาจารย์แต่ขอให้ย้อนไปฟังคลิปเก่าๆก็อาจจะได้คําตอบขึ้นมาบ้างนะแล้วก็ภารกิจของอาจารย์ก็มีเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากโอกาสที่การที่จะมาไลฟ์ก็จะน้อยลงไปขอให้ศึกษาจากข้อธรรมที่จะลงไว้ในเพจธรรมนาวา อาจจะเป็นข้อความจากพระไตรปิฎกโดยตรงเพื่อให้เราได้พัฒนาทางด้านความรู้และสติปัญญาฝึกฝนจิตใจตัวเองนะข้อต่อไปเออความเมตตาพระอาจารย์นะครับถ้าวันหนึ่งเราตายด้วยเหตุใดแต่เราระลึกถึงพัฒนาตจ ย, ย้ำๆซ้ำๆจะเกิดอะไรบ้างในตอนที่เราตายครับอ ย, อย่างไรนะ ขอความเมตตาพระอาจารย์ครับถ้าวันหนึ่งเราต้องตายด้วยเหตุใดๆแต่เรายังระลึกพระรัตนตรัยซ้ำๆย้ำๆจะเกิดอะไรบ้างครับตอนที่เราตายครับพระรัตนตยก็จะลองรับจิตแล้วว่าเป็นคตินิมิตคือเป็นเครื่องหมายในความเป็นไปของจิตในการอุปติหรือว่าปฏิสนธิอุปติในภพชาติด้วยกระแสรพระรัตนตยที่ลองรับจิตในเวลานั้นพบดี จะปากฏวดขึ้นแน่นอน อ, อีกคำถามนึงพระอาจารย์ยังยืนยันจะเดินต่อเพื่อธรรมนาวาและการเผยแพร่ต่อไปใช่ไหมคะก็ยังจะขับเคลื่อนธรรมนาวานี้ไปเรื่อยๆและถ้าหากว่าพวกเราเห็นประโยชน์ของเพจธรรมนาวา และยังมีศรัทธาต่อธรรมนาวาพระอาจารย์ก็ยังจะทำให้ธรรมนาวานี้เป็นไปตามศรัทธาที่เราต้องการแล้วก็ประโยชน์ที่พวกเราพึงจะหวังได้จากธรรมนาวาแต่ถ้าคิดว่าธรรมนาวาไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วพระอาจารย์ก็พร้อมที่จะล้มเลิกแล้วก็ยุติเสมอนะเพราะว่าเราทุกคนต่างก็มุ่งในการแสวงหา ความจริงบางทีความจริงมันถูกถกเถียงกันไปต่างๆนานาว่าอันนั้นจริงอันนี้จริงมันก็ต้องมีสิ่งที่บางสิ่งที่ถูกปฏิเสธไม่จริงเพราะการที่เรามองความจริงในมุมที่ต่างกันการมองความจริงในมุมที่ต่างกันมันทำให้ทั้งสองมุมนั้นไม่เป็นความจริงสักเรื่องเพราะความจริงจริงๆมันมีหนึ่งเดียว ฉะนั้นการเห็นความจริงจะต้องเห็นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวนี้เป็นอื่นไปไม่ได้ถ้ายังไม่สามารถมองเห็นความจริงอันเป็นหนึ่งเดียวนี้ร่วมกันว่านี่คือความจริงความขัดแยง้งยังไงก็ต้องเกิดขึ้นเสมอและเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นประโยชน์ของความขัดแย้งมันไม่ได้มีเลยพรธองค์เองก็เบื่อหน่ายกับความขัดแยง้งพระองค์เนี่ยเคยพูดถึงความขัดแย้งในสมัยที่พระพิสูจ์ มีความขัดแย้งกันว่าเราอึดอัดเราเบื่อหน่ายเราละอานี่คือคือพระเถองค์เองนะอึดอัดเบื่อหน่ายแล้วก็ละอาต่อสิ่งที่พระพิสุทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในป่าเลไรคุยกับคนไม่รู้เรื่องไปคุยกับดิงคุยกับช้างนู่นนะ่ยอยู่ในป่า น, นู่นเนะนี่ยนะประมาณนั้น <laughs> จากนั้นแล้วธรรมนาวานี้ตอนนี้ จะยังคงอยู่และทําหน้าที่ของธรรมนาวาอยู่หวังว่าศรัทธาของพวกเราที่มีต่อธรรมนาวาจะยังทําให้ธรรมนาวานี้คงอยู่ก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่จะทําทให้ธรรมนาวาล่องลอยต่อไปลอยเป็นเป็นนาวารเรือธรรมที่ลอยรอรับคนพลนขึ้นฝั่งอันปลอดภัยไปด้วยกัน อเอาหมดแล้วแหละนะอาจจะได้ยินเสียงเด็กอยู่ที่นี่เพราะว่าลูกศิษย์พระอาจารย์มีตั้งแต่รุ่นกระเปียกตัวเด็ ก, เ, ดกเล็กๆ ก, ก็มาด้วยอาจจะเป็นนั่งนอนฟังบ้างเล่นบ้างก็เป็นเรื่องปกติของเด็ก นะมีเสียงแทกเข้ามาก็ไม่ต้องสงสัยว่ามีเสียงเด็กมาจากไหนเป็นลูกศิ์รุ่นจิว๋วรุ่นกระเปียกนะพูดโทเมนาโทได้หรือยังก็ไม่รู้มันมแแงๆแงยๆอยู่นีค่คำถามต่อไปนะเจ้าคะ่ะการนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะการที่เราจเจริญมรรคในแต่ละวันบางวันเห็นได้มากบางวันน้อย เป็นเพราะกำลังสติและสมาธิเกิดดับเหมือนกันบางวันจเจริญได้มากเพราะสติและสมาธิมีกำลังวันไหนจเจริญได้น้อยเพราะสติสมาธิกำลังน้อยและการเพิ่มกำลังสติจะเกิดขึ้นจากการะระลึกถึงภารัตนาตรายการท่องาธาตุและพิจารณากายถูกไหมคะ กราบขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําการเพิ่มกําลังสติและสมาธิเพื่อให้มักมีกําลังเจ้าค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าการปฏิบัติธรรมจริงจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นอย่างนี้การเรียนรู้ว่าบางคราวสติมากกําลังมักก็จเจริญได้ดีบางคราวสติน้อยกําลังมักก็จเจริญไม่ได้ดีนี่ก็คือส่วนหนึ่งแห่งธรรมที่ต้องถูกรู้และถูกเข้าใจ ในฐานะแห่งความไม่เที่ยงหรือไม่คงที่ของสภาพธรรมที่มันเป็นในแต่ละอนแต่ละครั้งมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมการที่พยายามอยากจะทำให้มันเหมือนเดิมมันจะเริ่มทำให้เราไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มันกำลังปรากฏและเป็นอยู่ความเห็นที่ถูกต้องที่เราควรจะเห็นคือให้เข้าใจตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันกาลังเกิดขึ้นอยู่นั้น แน่นอนเราอยากจะเจริญมรรคให้มากเราอยากจะให้มันจิตคงที่การที่เราอยากจะเจริญมรรคให้มากแล้วอยากให้จิตมันมันคงที่ไม่อยากจะให้มันลดน้อยถอยลงไปไม่อยากจะให้มันเบาบางลงไปเพราะบางครั้งมีอย่างอื่นมาแทรกแล้วรบกวนจิตใจเราขอให้เข้าใจว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเจริญอริยมรรคเหมือนกันเพราะมรรคเนี่ยเราเจริญอยู่บนที่ความเห็นเราไม่ได้อยู่เจริญอยู่บนที่อาการของมรรคนั้นว่า มากหรือน้อยหรือมีอะไรมาแกกเปลี่ยนแปลงหรือทำให้มันไปนเป็นอย่างอื่นอย่างที่เราไม่ต้องการหลายอย่างที่เราจเจริญมากแล้วเราสร้างความต้องการให้มันเป็นไ ป, นปนตามที่เราต้องการบางทีมันอยู่ในส่วนของสบู่ไทยด้วยซ้ำไม่ได้จะเป็นการจเจริญมากด้วยซ้ำฉะนั้นความเห็นที่เราควรจะเข้าใจก็คือการตั้ง uh. การพิจารณาจับลงอริยสัจให้ถูกว่าอะไรที่เหล่าบทุก อะไรที่เรียกว่าเหตุของทุกข์อะไรที่เรียกว่าความดับของทุกข์อะไรที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างเช่นเนี่ยวันนี้จิตเราเจริญมากได้น้อยจังสิ่งใดเรียกว่าทุกข์อยากให้มันเจริญได้ดีกว่านี้อะไรเรียกว่าเหตุของทุกข์แล้วเมื่อพยายามที่จะอยากให้มันเจริญไปกว่านี้แล้วก็ไปทําข้อปฏิบัตินั้นอะไรเรียกว่าการดับของทุกข์แล้วเมื่อเราทําไปเรื่อย ๆ, ๆมันตอบสนองต่อมากหรือตอบสนองต่อสบู่ไทยตรงเนี้ยบางทีเราอาจจะหลงประเด็น ในด้านกา ร, าการปฏิบัติเพราะการเจริญมรรคเนี่ยเจริญอยู่บนความเห็นไม่ได้อยู่บนสิ่งที่ถูกเข็นสิ่งที่เป็นแต่ถ้าต้องการอยากจะให้อริยมรรคมันเจริญก้าวหน้าไปได้ดีพระอาจารย์แนะนำให้พิจารณาร่างกายหขั้นตอนย้ำๆซ้าๆอยู่เสมออันนี้ไม่ได้ทําให้มรรคเจริญขึ้นนะแต่ว่าอำนวยผลให้มรรคทำหน้าที่ได้ดีขึ้นตอนเอง ข้อต่อไปช่วยกันหาคําถามอันนี้บางทีมันเด้งมาเครื่องนี้บางทีก็เด้งไปเครื่องนู้นคําถามต่อไปนะเจ้าค่ะขอความเมตตา พ, พ, พระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาท่องท่าสี่พิจารณากายโยมจะยังไม่รู้สึกถึงดินน้ําไฟลมแต่ถ้า เ, เดินจงกรมแล้วพิจารณาถึงทำอื่นๆ จะรู้สึกมีความเข้าใจในธรรมมากกว่าการพิจารณาได้นานกว่าขอคำแนะนำพระอาจารย์เรื่องรูปกายที่โยมยังยึดปฏิบัติไม่เก้าหน้าเจ้าคะ่ะไม่เป็นไรก็ปฏิบัติในลักษณะที่จิตมันเข้าใจนั้นไปก่อนแต่อย่าลืมว่ายังไงต้องกลับมาสู่การพิจารณากายด้วย ทิ้งไม่ได้แต่ตอนนี้ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรทำในจุดที่เราทําได้ไปก่อนจนเราทําจุดนั้นเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วค่อยกลับมาสู่การพิจารณากายและถ้าหากการพิจารณากายมันยากมากจริงๆยากจนเรารู้สึกว่าเราทํำยังไงก็ไม่สามารถที่จะสามารถเจริญกายยะคตาสติหรือพิจารณาร่างกายได้ดีอ่านซ้ําๆไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรทั้งสิน้นเพราะจริงๆแล้วระบบป้องกันทําความเข้าใจเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา บางครั้งเราพยายามบีบบังคับให้เราพยายามที่จะเข้าใจมันแต่ตัวที่จะเข้าใจจริงๆมันคือจิตฉะนั้นการบีบบังคับมากเกินไปมันก็จะไม่เป็นผลดีอ่านก็ได้อ่านานั่นแหละอ่านซ้ําไปซ้ำมาอ่านตามตัวหนังสือนั่นแหละขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่6กอ่านอ่านอ่านอานจิตมันจะเข้าใจหรือว่ามีกระบวนการการเรียนรู้จากข้างในโดยตัวของมันเองอยู่ฉะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรยากหรอกเพียงแต่ว่า เรายังไม่เข้าใจวิธีการที่จะปฏิบัติว่าตัวปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความเข้าใจลงใจลงลึกลงสู่จิตใจเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงฉะนั้นเราเข้าใจในเรื่องข้อทําอื่นๆที่กําลังเข้าใจอยู่ในเรื่องอารมณ์เรื่องจิตเรื่องขันอะไรก็ทําความเข้าใจตัวนั้นไปก่อนถ้ามันเข้าใจตัวนั้นอย่างชัดเจนแล้วต้องกลับมาสู่การเรียนรู้ไก่อย่างไงก็ต้องเรียนรู้ไม่อย่างนั้นอวิชชาจะยังปิดบังอยู่เมื่อใดอะไรเมื่อ อะไรก็ตามที่เราไม่รู้อวิชายยังจะทำหน้าที่เกิดร่วมด้วยกับเรื่องที่เราไม่รู้นั้นนะคำถามต่อไปนะเจ้าคะกาบนมัสการพระอาจารย์ต้นครับขอความเมตตาพระอาจารย์ต้นอธิบายสติปัฏฐาน4แต่ละข้อว่าอยู่ในการปฏิบัติ6ขั้นตอนของพระอาจารย์ต้นอย่างไรครับสติปัฏฐาน4 1่กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ซึ่งจะมีอยู่กีๆๆบ่บัพพะอ่ะของพระอาจารย์อยู่ในธาตุบัพพะนะในธาตุบัพพะนี้ถ้าจะนับหกขั้นตอนก็จะมีอสุภะบัพพะเข้าไปด้วยคืออความไม่งามและในอสุภะบัพพะนั้นก็จะมีปฏิกูลบัพพะเข้าไปด้วยะได้ปฏิกูลได้ทั้งธาตุบัพพะอสุภะบัพแล้วก็ปฏิกูลบัพพะเข้าไปด้วย ในการพิจารณาร่างกายในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอะไรอีกนอกนั้นก็ได้ได้สามบับพเพ็ในการพิจารณาถ้าจะไม่ผิดแล้วพิจารณาขันห้าก็จะได้กําหนดรู้เวทนาขันเกิดดบพิจารณาจิตกับอารมณ์ก็จะอยู่ในจิตานุปัสสนาและก็พิจารณาอริยสัตว์ลงขันก็จะเป็นธรรมานุปัสสนา ก็ครบฐานทั้งสี่ในสติปัฏฐานสนะี่คําถามต่อไปนะเจ้าคะ่ะโยมบอกตัวเองระหว่างวันว่านี้ทุกทําให้ไม่ค่อยได้ท่องพารานาตรายัยท่องพารานาตรัยระหว่างวันเท่าไหร่ทําแบบนี้เอ้ยขอโทษเจ้าค่ะ ข, ขออ่านใหม่นะเจ้าคะ่ะโยมบอก ด้วยโยมบอกด้วยเองระหว่างวันว่านีทุกคือระหว่างวันจะบอกว่านี้ทุกทำให้ไม่ค่อยท่องรารตะนาตรายท่องทาาระหว่างวานันทำแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะสามารถทำได้อยู่ทำได้เลยอันนี้ก็เป็นองค์ความรู้อีกเหมือนกันนะมันอาจจะไม่มีในพระเตยบิดดกนะแต่มันก็เป็นองค์ความรู้ที่เอาไปใช้ได้ถอดออกมาจากไหนก็ถอดมาจากอริยสัจใน ทำมาจากวารสตรูนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอามาปรับใช้ในการเป็นกาการกำหนดรู้ด้านยาตะปริญญาคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะปัจจุบันลูกและครอบครัวเจอวิบากกรรมทางด้านการเงินและการงานและครอบครัวทุกด้านแล้วทำให้ลูกปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ เหมือนเดิมด้วยสภาวะรอบด้านกระทบเหลือเกินขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าได้สร้างเหตุให้เป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้ตามที่พระอาจารย์แนะนำหรือยังก็คือหนึ่งตั้งเจตนางดเว้นในอธทินนาธานาในข้อนี้ตั้งเจตนางดเว้นเลยอันที่สอง ให้ทานแม้แต่เล็กๆน้อยๆที่จะพึงให้ได้ก็พึงให้อย่าเอาความรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาทางด้านการเงินหรือทางด้านความเป็นอยู่แล้วไม่สามารถที่ให้ทานได้อันนี้มันยิ่งจะทำให้เราสร้างความรู้สึกทางด้านจิตใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำความดีหรือแบ่งปันสิ่งใดๆมันจะไม่เป็นทางมาแห่ง พ่อเขาทบังเกิดกับเราอนที่สาพยายามอาสาไปรับใช้สงฆ์อยู่ในอาวาสหรือถ้าไม่รับใช้สงฆ์ในอาวาสอาสาที่จะทำงานทางด้านสาธารณกุศลให้ได้นะตามโอกาสตามการนันสมควรโอ้ความเป็นอยู่ก็ลำบากแล้วจะไปช่วยอาสาทำได้ยังไง ลองลอ ง, ลองมองหาวิธีการในการทํามันอาจจะมีโอกาสในการทําอยู่อันที่สี่ประกาศรัตนปริศนะเพื่อเปิดทางมาแห่งโภะคาทั์ให้กับเราหลายหรอบอะไรอีกทีนีนะ้ทำเหตุปัจจัย4ประการนี้ก่อนนะถ้าถ้าลองทําเหตุปัจจัย4ประการนี้มันคือวิธีการทั้งหมดคือการเปิดทางออกออกจากปัญหาที่เรากําลังประสบอยู่ ชื่ออะไรเขาเนี่ยเมื่อกี้นี่ชื่ออะไรอ่ะอ่ะขอต่อไปอเราจะรับรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงกระแสของพรัตนาไตายได้แล้วยังเวลาเกิดอาการแพนิกหรือกลัวแล้วท่องพรัตนาไตาย แล้วความกลัวหายไปนี่ว่าแล้วความกลัวหายไปนี่ว่าเข้าถึงกระแสะพาราตนาใจไหมคะก็ยังไม่ใช่การเข้าถึงกระแสะพาราตนาใจเพียงแต่ว่าอ่าพราตนาใจมันทําหน้าที่ในการสงบระงับความกลัวความเป็นแพรนิคความกังวลที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเขาทําหน้าที่ของเขาเพียงแต่ว่ากร ะ, สะแสรัตนาใจมันยังไม่เกิดถ้ามันเกิดกร ะ, สะแสพาราตนาใจเราจะเห็นความเปลี่ยนทางจิต อย่างชัดเจนและเราจะรู้สึกได้ว่านี่แหละพลัตตาไตเป็นแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถยึดพึ่งได้มันเหมือนกับว่าเราพึ่งอะไรบางอย่างจากข้างในได้ด้วยตัวของเราเองมันมีความมั่นคงมันมีความเป็นพลังทางใจเป็นพลังทางสติปัญญาภายในตัวเองด้วยนั่นแหละคือการเข้าถึงพลัตตาไตทราบครับแล้วก็ขอสอบถามพระอาจารย์ต้นค่ะถ้าจิตใจยึดเหนี่ยวกับการนั่งสมาธิมากๆ ถ้าวันไหนไม่ได้นั่งหรือนั่งน้อยจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปควรตั้งจิตอย่างไรคะวันไหนไม่ได้นั่งหรือรู้สึกขาดอะไรไปควรจะวางจิตอย่างไรไม่ต้องวางจิตยังไงไม่ได้นั่งก็ไม่ได้นั่งรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปก็ให้รับรู้กับความรู้สึกนั้นแหลวะว่าอ๋อก็รู้สึกขาดหลายอย่างที่เราพยายามจาัด เปลี่ยนแปลงหรือปรุงแต่งหรือไม่อยากให้สิ่งที่เป็นมันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือปัญหาของเราอย่างหนึ่งทางด้านการปฏิบัติที่เราไม่ได้เข้าใจการปฏิบัติว่าการปฏิบัติจริงๆมันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ไปไปตามที่เราต้องการมันเลยทําให้เรา คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในสิ่งที่มันกําลังเป็นอยู่และวไม่ได้รับรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงที่จะต้องถูกรู้ถูกเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นมันเป็นอย่างนี้มันเนาะมันเป็นแบบนี้แหละเนี่ยธรรมะเวลาพูดมันจะพูดอย่างเงี้ยมนุษย์จะพูดอื่นไปไปอย่างอื่นไปใดประเไทยมันมันต้องพูดอย่างเงี้ยธรรมะอืมข้อต่อไป อ, อ๋อขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายการระลึกพละตะไต เช่นระลึกเป็นคำพูดเช่นพระพุทธพระธรรมประสงค์หรือท่องพุโทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถแบบนี้เรียกว่าระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างครับหรือต้องนึกเป็นภาพให้เห็นภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมนึกภาพยังไงครับพวงเล็บเวลาท่องให้ลึกถึงคำพูดหรือคำกล่าวที่เรากำลังกล่าวหรือพูดอยู่นั้นว่าพุโทโทเมนาโถเนี่ยคําำเนี้ยนึกถึงคานี้ มันเป็นภาษาทุกอย่างในโลกนี้เราใช้ภาษาในการสื่อสารเมื่อใดก็ตามที่เราจะต้องการให้จิตเข้าถึงพระราชนตรยัยเราต้องใช้ภาษาเป็นตัวสื่อเป็นตัวกลางที่จะสื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสิ่งที่จะให้เข้ามาสู่การรองรับหรือบังเกิดขึ้นบนจิตใจเราฉะนั้นภาษาจึงเป็นส่วนสำคัญบนโลกใบนี้ทุกทุกชนชาติต้องมีภาษาเป็นเครื่องสื่อถ้าไม่มีภาษาเนี่ยเราไม่สามารถ สื่อความหมายอะไรต่างๆบนโลกนี้ได้เลยแล้วจะสื่อความหมายถึงพระพุะทธธรรมประสงค์ก็ต้องใช้ภาษาธรรมชาติของความเป็นพ ร, ระพุทธพระธรรมพระสงค์จะดำรงอยู่แบบไหนจะตั้งอยู่แบบใดมีอยู่ในลักษณะไหนไม่ต้องจําเป็นต้องรู้แต่เมื่อเราใช้ภาษานี้ระลึกขึ้นมาย้ำย้ำซ้ำซำ้อยู่เสมอภาษาจะสื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วธรรมชาตินั้นจะปรากฏขึ้นบนจิตใจของเราเองเหมือนกำลังนึกถึงคนที่เราโกรธความโกรธก็จะเกิดขึ้นบนจิตใจเรามันเป็นกลไกปกติมันเป็ น, นกลกนนนไกลทางธรรมชาติฉะนั้น โดยกลไกนี้เราไม่เคยเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรจึงจึงต้องอาศัยภาษาหรือต้องใช้ภาษาเป็นตัวสื่อจึงต้องระลึกบทนี้ยย้ำซ้ำยยซ้ำซ้ำจนเกิดกระแสหรือกำลังฆ่าคงที่ของสติในตัวระลึกนั้นจนสามารถ ร, ร, รับรู้รับทราบได้ถึงความเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นบนจิตใจของเรานึกถึงภาษานึกถึงคาพูดนึกถึง อ, กอักษร จบหมดยังคำถามต่อไปนะเจ้าคะ่ะยังไม่เคลียสิลข้อสามระหว่างผู้ถือสินห้ากับสิลแปดแตกต่างกันอย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายให้ละเอียดด้วยเจ้าคะ่ะไม่เคลียศีลข้อสามกับศีลข้อแปดไม่เคลียยังไงส้นศีนข้อสามของผู้ถือสีนแปดใช่ไหม เจ้าค่ะกับสินหก็อภรามจริยาอภรามจริยานี้คือการถือพรหมจรรย์การถือพรหมจรรยานี้คือการไม่สามารถอยู่ร่วมกันระหว่างคู่ได้อันนี้อภรามจริยาอันนี้โดยบริบทอันเป็นตัวบริบทเป็นประธานนะเนี่ยแต่มันก็มีบริบทอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเรื่องนี้โดยตรงแม้ในทางพระไตยบิดกจะอธิบาย อริมัจจริยาว่าไม่เกี่ยวกันโดยการเป็นคู่หรืออยู่ร่วมกันโดยการเป็นคู่ก็ตามแต่ก็มีบริบทอื่นย่อยภายใต้อริมัจจริยานี้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันต้องร ะ, ระบุมาก่อนว่ามันคืออะไรไม่อย่างนั้นพระอาจารย์ไม่อยากจะอธิบายไปลำพังต้องต้องถามมาว่าตัวอย่างอะไรบ้างอย่างเงี้ย <laughs> ระวังมากเลยเรื่องการพูดเรื่องพวกนี้ <laughs> นมันน่าจะมาจากคลิปที่ น่นหรือเปล่าที่วาถือศีลถือศีลข้อแปดแล้วทํางานไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยไ อ, อถือศีลอภ ร, รมจริยาถ้าทํางานไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมไม่รู้แหละอันเนี้ยใช่ตัวนี้หรือเปล่าศีลแปดเป็นอภ ร, รมจริยาศีลข้ออ่าข้อที่สามในในศีลห้าเป็นการเมสุมิชฌาจาร์การเมสุมิชฌาจาร์สามารถอยู่ร่วมกัน ในคู่ของตนได้แต่ละเมิดคู่คนอื่นไม่ได้แต่อริมัจจรยาแม้คู่ของตนก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะความต่างอย่างนี้ขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเดินจงกรมสิบนาทีแล้วระลึกพระตนาตาใจสิบนาทีครั้งที่สองท่องท่าและอีกสิบนาทีพิจารณาร่างกายแบบนี้ได้ไหมคะ ก, ก็ทําได้แต่จริงๆพระอาจารย์อยากจะให้ทาอย่างใอางดอย่างหนึ่งเป็นหลักก่อนแต่ทำได้ไหมล่ะก็ทําได้เหมือนกันแะต่อยากให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักก่อนนี่คือคำแนะนำแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าอัธยาศัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอตอไปคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะ กับขอความเมตตาพระอาจารย์ตอนนี้ป่วยเป็นซึมเศร้าสับสนการปฏิบัติตัวเองขอคำแนะนำเจ้าค่ะหมอจะบอกอย่าอยู่คนเดียวให้หาเพื่อนฟังทางธรรมเราต้องอยู่กับตัวเองไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองใช้ชีวิตได้ปกติไม่กวนกวาย ไม่กลัวสิ่งที่คิดเรื่องต่า ง, างๆที่เกิดขึ้นมาตอนนี้ต้องแชทคุยกับเพื่อนตลอดไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเจ้าค่ะอันนี้อันนี้รู้จักไหมหรือมาใหม่น่าจะมาใหม่เจ้าค่ะมาใหม่พระอาจารย์ขอแนะนำให้เล่าถึงบทพะราตนไตรยัยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยคนเนี้ยที่ถามมาเนี่ยแจ้ง ชื่อที่อยู่นามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้เรียบร้อยแอดมินจะส่งหนังสือไปให้อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้อยู่กับตัวเองนานขึ้นแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจนะแต่เบื้องต้นขอแนะนําให้ระลึกถึงพระราตนตรายย้ำๆซ้ําๆแล้วก็ดูคลิปธรรมะที่พระอาจารย์บรรยายเนี่ยดูดูได้เลยก็จะช่วยได้ในส่วนหนึ่ง ข้อต่อไปอันนี้น่าจะอยากให้อ่านเขาส่งมารัวๆเลยขอขอความเมตตาพระอาจารย์ลูกอยู่ในลำดับพิจารณาร่างกายลูกสามารถพิจารณาแบบนี้ได้ไหมคะคือหนึ่งท้องหมดลมหายใจแล้วเห็นเป็นภาพอยู่ในจิตสองน้ําดันดินเห็นภาพร่างกายสามท่าดินแตกก็เห็นเป็นภาพสี่น้ําละลายดินก็เห็นเป็นภาพ ธาตุน้ำกับธาตุดินที่เหลืออยู่ในกายและละลายไปหมด 5. เหลือแต่โครงกระดูกก็เห็นเป็นภาพโครงกระดูกทุกส่วนเรียงด้วยกัน 6. กระดูกกับดินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหนูก็มองเห็นเป็นภาพอยู่ในจิตว่ากระดูกค่อยๆกลอนหายไปกับดินชิ้นไหนหนาหน่อยก็จะเห็นนานหน่อยส่วนเล็กๆบางๆก็ปิวไปตามลม บางชิ้นก็ไหลไปตามน้ำฝนที่ตกลงมาใส่กระดูกบางชิ้นก็กลบไปกับดินคือรูปไม่ได้ท่องเป็นตัวอักษรแต่เป็นภาพทำแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะทำได้ดทำได้แต่ว่าอย่าเพ่งหรือจดจ่อมากเกินไปแต่ให้ทำโดยเป็นลักษณะของเนื้อเรื่องของกระบวนการ หกขั้นตอนเพื่อให้จิตได้เกิดการเรียนรู้การเพ่งการจดจ่อเนี่ยมากเกินไปมันจะกลายเป็นสมถะจะไม่เป็นประโยชน์ในระดับต่อไปการเห็นภาพมันมินเมย์มากในการที่จะตกอยู่ไปในข้างของสมถะเพราะฉะนั้นควรจะมีการเล่าอธิบายตามเนื้อหาแห่งภาพที่เล่าที่เราได้ระลึกไว้ในใจเป็นภาพอยู่ภายในใจเนี่ยควรจะมีเนื้อหาเล่าอธิบายบ้างจะเป็นสิ่งที่ดี ถ้าจดจ่อมากไปมันจะตกข้างสมถะข้างสมถะเนี่ยมันจะยังไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติในระดับของการกําหนดรู้ขันห้าเกิดดับนะมันก็ทําได้อยู่แต่อย่าจดจ่อมากเกินไปอย่าเพ่งมากเกินไปให้มันให้มันเป็นไปตามคล้ายๆเป็นภาพอ่าคือยังไงอะต่อเนื่องอย่าหยุดหรืออย่าจดจอ่อรับรู้ภาพเหล่าเนี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระดูกรลายกลายเป็นดินเริ่มต้นมีร่างกายใหม่ก็แล้วก็ถัดลมดับน้ําดันดินถัดดินแตกน้ำละลายดินเปื่อยเน่าย่อยยุ่ยสลายโครงกระดูกผุกรอนเนี่ยอย่างเงี้ยคือให้มันต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยอย่าเพ่งอย่าจดจ่อที่ภาพมากให้มันต่อเนื่องไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องมีมีคำถามจิตกับใจต่างกันยังไงครับ แล้วจิตกับสมองเชื่อมโยงกันอย่างไรครับเวลาพระอาจารย์จะอธิบายเรื่องนี้พระอาจารย์อธิบายขัดแย้งกับพระไตรปิฎกอีกนั่นแหละใจนี่ใช้คำว่ามโนก็ได้มโนเนี่ยอยู่ในฐานะของอายตนะอายตนะแปลว่าจุดเชื่อมต่อหรือว่าจุดรับอารมณ์ส่วนจิตเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นอายตนะได้ แต่จิตเป็นธรรมชาติในการคล้อยตามอารมณ์โอนตามอารมณ์เอนตามอารมณ์เป็นไปตามอารมณ์หมายถึงว่าต้องมีอายตนะรับกระทบก่อนจิตจึงจะคล้อยตามอารมณ์โอนตามอารมณ์เอนตามอารมณ์คล้อยตามอารมณ์โดยการคิดโอนตามอารมณ์โดยการคิดเอนตามอารมณ์โดยการคิดเป็นไปตามอารมณ์โดยการคิดนีฉะนั้นใจคือมโนเนี่ยอยู่ในส่วนอายตนะจิตก็คืออยู่ในส่วนของจิตความต่างมันต่างอย่างเงี้ยแต่ไม่มีนะท่านพระไตรปิฎกนะ แล้วที่อธิบายนี้ไม่ได้จงใจบิดเบือนพระตาปิตกนะคำนะ ถ, ถามต่อไปจากคุณระพัฒน์ศรีวิราชเพียรสายนะเจ้าค่ ะ, คะเราลึกถึงพระรัตนตรัยแนบจิตแล้วอยู่ขั้นตอนการพิจารณากายหกขั้นตอน แต่ขั้นตอนนี้มันติดอยู่นานมีอารมณ์อื่นแทรกตลอดพอนึกได้ก็กลับมาพิจารณากายต่อต้องรู้สึกขนาดไหนถึงจะไปท่องขันห้าได้คะแล้วโยมรักษาสินห้าไม่ครบจะมีผลต่อพรรตนตรายและการปฏิบัติต่อไปไหมคะก็ต้องปฏิบัติจนถึงขั้นจิตที่รู้แจ้งขึ้นมา จากข้างในจริงๆอย่างแจ่มแจ้งว่ากายนี้เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมอย่างชัดแจ้งประจักษ์กับจิตพอถึงขั้นนี้แล้วขยับต่อไปได้เลยแล้วก็ศีลแม้จะยังรักษาไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆพอกําลังของจิตมันมันมีกําลังมากแล้วเนี่ยมันแก่กล้ามากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะลากของมันเองมันจะงดเบรคของมันได้เองมันจะรักษาได้ของมันเองในศีลแตตอนนี้มันยังรักษาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ใช้ศีลแบบเจตานากดเว้นในการบางค่าวไปก่อนเจตานากดเว้นในตามปักไปก่อนอย่างเงี้ยก็ยังได้อาริสง์รองรับทางด้านการปฏิบัติอยู่ตอนนี้มีคนมาให้กําลังใจพระอาจารย์เยอะมากเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีคนดูอยู่ 1, 000. 1, 000หนึ่งพันหนึ่งพันต่อไรแล้วกําลังใจล้นหลา ม, มากค่ะพระอาจารย์เผยแพร่ต่อไปเลยเจ้าค่ะ ข, ขอขอนุโมทนากับ ทุกๆ ก, กับแรงใจที่ส่งมาถวายพระอาจารย์อีกครั้ง <laughs> คำถามต่อไปนะเจ้าคะจากคุณดิวนุชนาะตกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะลำดับแรกของการปฏิบัติธรรมนอกจากยืนเดินนั่งสมาธิเราควรสวดบทไหนหรือลำดับอย่างไรบ้างถึงจะเข้าถึงธรรมได้มากขึ้นเจ้าคะ่ะ การปฏิบัติธรรมในระดับใดๆก็ตามพระอาจารย์มักจากจะให้มีจุดเริ่มต้นอันดับแรกโดยการละลึกถึงพระาราตรัยการละลึกถึงพระาราตรัยเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆเพื่อที่จะดําเนินบนเส้นทางอริยมรรคเนื่องจากว่าพระาราตรัยเป็นสิ่งกําหนดการเจริญอริยมรรคในจุดเริ่มต้นว่าเป็นโสดาปฏิมรรคคาว่าโสดาปฏิมรรคหมายถึงว่าข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความเป็นโสดาบัน ข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสสดา บ, บันที่เริ่มต้นจากพระราตรายนั่นหมายถึงว่าพระราตรายจะต้องถูกปฏิบัติให้เกิดขึ้นบนจิตใจของเราแล้วยึดพึ่งพระราตรายที่เกิดขึ้นทางใจนั้นแล้วพลังทางใจจากพระราตรายที่เกิดขึ้นจะ ก, ก่อให้เกิดพลังทางสติปัญญาจากนั้นเราก็เอาสติปัญญาเหล่าเนี้ยเป็นพลังในการในการพิจารณากายนะโดยการท่องท่ากรารมฐานสี่พี่นณาร่างกายหกขั้นตอนพี่น้าขันห้าแล้วก็ อธิบายขันห้าผ่านอริยสัจเอาอริยสัจจับลงในขันห้าอย่างเงี้ยตามแบบวิธีที่พระอาจารย์วางไว้แล้วก็จะมีหนังสือถ้าอยากหนังสือเป็นคู่มือทางด้านการปฏิบัติก็แจ้งขอเข้าไปในเพจธรรมนาวาก็จะมีแอดมินส่งหนังสือไปให้นะก็ทําตามแบบวิธีที่พระอาจารย์วางไว้ได้เลยขอแนะนําให้ทําตามหลักการนี้เราจะค่อยๆเห็นได้เองขึ้นมาบนจิตใจเราเองว่าเราจะค่อยๆ คืบคานไปบนเส้นทางของอริยมรรคในแต่ละลำดับนั้นที่เราสามารถรู้ได้ภายในตัวเราเองนะขอต่อไปคำถามต่อไปจากคุณจินสุขขอแนวทางการปฏิบัติด้วยได้ไหมเจ้าคะมีภาวะแพนิกหนักมากถึงขั้นกลัวการปฏิบัติธรรมแต่ก็พยายามสู้กับจิตและพ ย, พยายามปฏิบัติ ตามแนวทางของพระอาจารย์ตอนนี้เปิดฟังคลิปพระอาจารย์ตลอด<ม>เวลาทุกวันเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านและหวาดกลัวบางครั้งก็มีความคิดว่าเราจะไม่ไหวอาจจะบ้าต้องหาที่พึ่งทางจิตเช่นเช่นการฟังธรรมบางวันก็ไม่มีอาการ พยายามไม่ไปหาหมอไม่กินยาพยายามใช้ธรรมะรักษาแต่ไม่แน่ใจว่าเราต้องดําเนินการปฏิบัติแบบไหนอย่างมั่นคงและหายขาดเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้นะตั้งใจฟังพากย์จันให้ดีถ้าเริ่มต้นจากวิธีการปฏิบัติในวิธีการของพากย์จันแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดนะการปฏิบัตินี่นะ่ะ ในระยะแรกๆจะเกิดการถ่ายเทอารมณ์จากข้างในออกมามากๆจังหวะที่มันการถ่ายเทอารมณ์ออกมามากๆนี่แหละเราจะรู้สึกว่าโอ้เราจะไม่ไหวแล้วแต่ขอให้รู้ว่ามันยังไหวอยู่เพียงแต่ความรู้สึกข้างในเรามันจะบอกว่ามันไม่ไหวฉะนั้นอย่าให้ใจเราเป็นไปตามความรู้สึกที่มันกำลังบอกตัวเรานะ่ะว่ามันไม่ไหวแต่จริงๆนะ่ะมันไหว มันเป็นลักษณะของการถ่ายเทอารมณ์ออกมาแล้วเราก็คุ้นเคยต่อการที่จะตอบสนองต่ออารมณ์ที่มันถ่ายเทออกมาแล้วรู้สึกแบกรับกับอารมณ์เหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันกําลังจะต้องมันกําลังจะต่อสู้กับตัวเองจากข้างในหรือกําลังต่อสู้กับสิ่งที่อยู่รอบข้างที่บางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบแล้วไปดึงเอาอารมณ์จากข้างในออกมากระทบกันกับเราหรือบางทีเรารู้สึกว่า เราลืมตาดูโลกใบนี้มันมันไม่สุนทรีแบบเหมือนคนอื่น <S <S เหมือนกับว่าทุกทุกสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยมันมัวหมองไปหมดแล้วมันส่งผลต่อจิตใจของเราที่มองหมองไปด้วยแล้วเราจะต้องมากดข่มหรืออดทนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มันกำลังเป็นหรือกําลังเกิดพระเจ้าเข้าใจตรงนี้ดีต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าอะไรก็ตามที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานั้นมันคือการถ่ายเท แล้วมองให้ออกว่ามันจะเป็นผลดีแม้ในตอนนั้นจะรู้สึกไม่ดีแต่มันจะเป็นผลดีเมื่อมันถูกถ่ายเทออกหมดแล้วแต่ตอนที่ยังถ่ายเทอ ย, อยู่มันต้องไม่ดีอยู่แล้วต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันไม่มันต้องไม่ดีอยู่แล้วฉะนั้นการระลึกถึงพระธนรมตรัยไว้เป็นหลักยึดจะช่วยในระหว่างที่อารมณ์นั้นถ่ายเทออกมาได้อย่างดีมากและอีกกรณีหนึ่งก็คือฝึกในการที่จะทักอารมณ์ แต่ก็มีประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เป็นแบบเดียวกันนี้บอกว่าเวลาทักอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์อะไรเกิดก็ทักอารมณ์นั้นตร ง, ต ง, ต ง, ตงๆบางทีก็เอาไม่อยู่ถ้าเอาไม่อยู่ปุ๊บกลับมาที่พระราตรีการกลับมาอยู่กับพระราตรต้องกลับมาอยูงงย่กับพระราตรแบบพุทโธเมนาโธมโมเมนโสังโฆเมนโพุทโธเมนโธมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถพุทโธเมนโธรมโมเมนะโสังโฆเมนะโถพุทโธเมนะโธมโมเมนโสังโฆเมนโพุทโธเมนโถธรยเังทโธเถ มันก็เหมือนกับพุทโธเบนะโธเหมือนกับน้ําใหม่ที่ใส่ลงไปในจิตเราจิตเราประดุดด่างแก้วที่มีอารมณ์ตกค้างเก่าๆที่อยู่ข้างในนั่นแนหะมันก็จะถ่ายเทของเก่าออกมาใส่ของใหม่เข้าไปก็ถ่ายเทของเก่าออกมาเมื่อมันถ่ายเทออกมาหมดเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถได้รับผลที่ดีในตอนนั้นได้แต่ตอนนี้อดทนฟื้นสร้างความเข้าใจยึดพระรัตนไตทักอารมณ์ฟังเทศพระอาจารย์นะ ต้องเชื่อมันม่นว่าจะต้องผ่านห่วงเวลาอย่างนี้ไปได้เพราะคนที่เป็นแบบนี้หายมาแล้วหายสดิบด้วยนะไม่กลับไปเป็นอีกไม่กินยาด้วยและมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมให้เชื่อมั่นกับพระรัตนตัยเชื่อมั่นกับตนเองก็เป็นกำลังใจให้ผ่านห่วงเวลานี้ไปให้ได้ครับมีคาถามจากยมพิทังพุทธยุวชนครับ พระ อ, อาจารย์ต้นครับขอความเมตตาสอบถามเกี่ยวกับ 1. การแผ่เมตตาเราแผ่เพื่ออะไรครับสองการแผ่อุทิตส่วนอุสนสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรครับสิ่งที่สิ่งไหนสำคัญกว่าครับ 3. หากเราไม่แผ่เมตตาแต่อุทิตบุญอย่างเดียวได้ไหมครับหรือต้องทำควบคู่กันการแผ่เมตตาเป็นการ สงบรังอับเวนภายในจิตของเราถ้าเราไม่แผ่เมตตาจิตเราสามารถก่อเวณกับผู้คนได้เสมอฉะนั้นการแผ่เมตตามีจุดประสงค์เดียวคือสงบรังอับเวนภายในจิตของเราเองเราจะไม่คิดร้ายต่อใครไม่มุ่งร้ายต่อใครไม่ปราถนาลายต่อใครไม่ตั้งเจตนากล่าวโทษเพ่งโทษใครๆเพราะกระแสเมตตาจะไม่ทาให้เรา มีจิตก่อเวรเกิดขึ้นนี่คือความสำคัญและเมื่อจิตไม่มีเวรก็จะมีความสงบระ ง, งับภายในตนเองส่วนการอุทิศกุศลคือการอนุเคราะห์และสงเคราะห์บุคคลผู้ละชีวิตไปหรือมีดวงจิตดวงวิญญาณบางดวงที่เขาอยู่ในสถานะยากลำบากแล้วเกี่ยวข้องเป็นญาติกันกันกนกบเราเขาเหล่านั้นหวังผลบุญกับเราอยู่ว่าเมื่อทาบุญในคราวครั้งใดก็ตามจะได้รับส่วนบุญ ถ้าหากเราอุทิศส่วนไปให้เพราะเขาไม่สามารถทำบุญได้เราอยู่ในฐานะผู้ทําบุญได้ฉะนั้นเมื่อทําบุญในคราวครั้งใดก็ตามพึงระลึกถึงบุคคลผู้ลาชีวิตไปแม้จะอยู่ในสถานะใดก็ตามที่บุคคลลาชีวิตไปนั้นสถานะสูงสถานะปานกลางหรือสถานะต่ําการอุทิศสุวนชื่อว่าเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์เขาเหล่านั้นให้ได้รับส่วนผลแห่งบุญจําพวกที่อยู่ชั้นต่าก็จะได้บุญนั้นก็จะยกเขาให้ดีขึ้น ชั้นกลางก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นชั้นสูงก็จะดำลงอยู่ในภพภูมินั้นๆได้อีกยืดยาวนานการอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทาะําในฐานะแห่งกวามเป็นบรุษเราก็ตัดสินใจเอาเองว่าแปบรบแเมตตากับอุทิศกุศลอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญและควรทําอะไรแบบไหนนี่คือข้อแนะนําที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้แล้วตัดสินใจทํากันตามที่เราต้องการและเป็นไปตามอัธยาศัย กับขอความเมตตาเจ้าค่ะทุกวันนี้โยมปฏิบัติดังนี้ค่ะวงเล็บเคสซึมเศร้าค่ะเออทำก่อนนอนคือหนึ่งสวดปรลิตเวลาสามจบขันปรลิตขันทปรลิตหนึ่งจบแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ในตอนกลางวันท่องพระรัตนไตยมีบางมีบ้าง ท, ท่องท่ากรรมฐานสี่บางที ก็กำหนดนี่คือทุกสลับกันไปเจ้าค่ะคำถามคือสิ่งที่กําลังทําอยู่นี่ถูกต้องไหมคะจริงๆอยากจะให้ยึดพระราไตายให้แนบติดกับจิตไว้เป็นสาระสาคัญก่อนแล้วก็มันทักอารมณ์ย้ำๆซ้าๆไว้เสมอการจับอารมณ์หรือทักอารมณ์เนี่ยจะช่วยมากในเรื่องของการปฏิบัติในระดับต่อไปเพราะว่าการจับอารมณ์หรือทักอารมณ์จะเป็นการสร้างสติในระดับหนึ่งหากเราฝึกสติในด้านการพิจารณาเนี่ยการพิจารณาจะใช้กําลัง ความคิดและการพิจารณาเนี่ยมากถ้าไม่มีกำลังจากพละตนตาไตหรือการจับอารมณ์หรือเท่าทันต่ออารมณ์ไว้เป็นพื้นฐานมีพลังทางใจพลังทางสติปัญญาเนี่ยเวลาเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาที่ต้องใช้ความคิดการพิจารณาย้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้ซ้านง่ายฉะนั้นฝึกให้มีพละตนาใแนบจิตแล้วก็ปั่นทักอารมณ์ไว้หรือท่องท่ากรรมหานสีไว้เนี่ยใน3ระดับเนียเยอะก่อน ขอความเมตตาพระอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านรับรู้สัจความจริงที่ท่านนำบอกวิธีที่ทำให้เราออกจากทุกข์ออกจากวัฏจักรสงสารแล้ววัฏจักรสงสารจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสามีโยมถามโยมก็อึ้งไปคะ่ะเขาน่าจะคิดว่าต้องมีผู้สร้างขึ้นคะ่ะ วัตตาสงสารมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความไม่รู้กระบวนการของโลกและจักรวาล น, นี้มีระบบของการก่อตัวที่เรียกว่าสังคตะสังคตะคือระบบของการก่อตัวการก่อตัวกันขึ้นของระบบสังคตะเขาจะก่อตัวกันอยู่สองด้าน 1. ด้านรูป 2. ด้านน้ำฉะนั้นโลกและระบบของสังคตะ ที่ก่อตัวขึ้นมาในด้านรูปก็คือก่อเป็นโลกและจักรวาล น, นี้ขึ้นมาด้านน้ำก็คือจิตระหว่างน้ำกับรูปได้เกิดระบบของสังคตะที่นำสู่การก่อตัวร่วมกันในร่องของรูปน้ำจึงเกิดมีสิ่งมีชีวิตขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ก่อตัวขึ้นมาก็คือมนุษย์เริ่มแรกเขาใช้คําว่าอปติกามนุษย์ต้นกลับคือเรียกว่ามนุษย์อปติกาซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของมนุษย์เราในยุคปัจจุบันนี้ มนุษย์อปติการหรือมนุษย์ตนกับเนี่ยมีอวิชชาคือความไม่รู้อยู่บนจิตจเมื่ามามอมีอวิชชาคือความไม่รู้อยู่บนจิตนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่ถ้าเราได้ก็ตามถ้าเราดับอวิชชาคือความไม่รู้ออกจากจิตได้วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เป็นอันยุติได้เหมือนกันอวิชชาอยู่ในจิตเราในเวลานี้คือการไม่รู้จักอริยสัจ เมื่ อ, อวิชาที่อยู่ในจิตเราไม่รู้จักอริยสัจเรามาเรียนรู้อริยสัจการเรียนรู้อริยสัจสีจะทําลายอวิชาเมื่อเรียนรู้อริยสัจสีจนแทงตลอดอริยสัจสี่และวิชานั้นดับไปวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยุติทันทีไม่มีใครสร้างอยื่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยุติมันหรือไม่ยุติมันเพราะระบบสังคตาก่อตัวของมันอยู่แล้วไม่มีใครสร้างใครแต่เมื่อถูกก่อตัวขึ้นมาแล้ว เราจะต้องหาข้อยุติแล้วข้อยุตินั้นเราต้องทำเองด้วยองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่พระองค์ตัดสอนทำลายอาวิชาออกญากจิตให้ได้ให้เป็นคำถามสุดท้ายเป็นกรณีพิเศษได้กำลังใจเยอะวันนี้คำถามจากคุณ สม ช, ชีวันนะเจ้าคะ่ะเวลาปฏิบัติมากๆเกิดความเบื่อขึ้นมามการการที่เบื่อแบบนี้คะ่ะจัดเป็นการถ่ายเทอารมณ์ไหมเจ้าคะ่ะความความเบื่อที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะนิสัยหรือว่าอาสวะเก่าในสิ่งที่มันมาพร้อมกับขันห้าเนื่องจากว่าเรายัง ทำความเข้าใจหลักการปฏิบัติไม่พอพูดง่าไงว่าถ้าหากพูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยแล้วการปฏิบัติต่อพระรัตนตยัยมันมันไม่เกิดผลขึ้นมาบนจิตใจเราว่าพระรัตนตัยเป็นผลดีต่ตอจิตใจเราได้อย่างไรเราก็พยายามทำนะแต่มันยังไม่เกิดมาเป็นผลดีเนี่ยมันก็จะ ร, รู้สึกเบื่ออย่างเงี้ย แต่ถ้ามันทำจนเกิดเป็นผลดีขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเบื่อเพราะว่าพระธาไตุเวลามันเกิดขึ้นบนจิตใจแล้วมันจะเป็นพลังทางใจและเป็นพลังทางสติปัญญาให้กับเราเราต้องกลับมาทบทวนและมองว่าเราเริ่มต้นในการปฏิบัติเริ่มแรกนั้นเราเริ่มต้นจากจุดอะไรจุดที่เราต้องทำเนี่ยพระธาไตาเพื่ออะไระเพื่อต้องการสร้างการยึดพึ่งพระธาตาจริงๆหรือไม่หรือต้องการระลึกถึงพระธาตาตามเพียงแค่แบบที่เราระลึกไปเท่านั้นหรือ เรามามาหาจุดของเราเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายในการทำบนจิตใจเราเนี่ยเรามีทิศทางอย่างไรในการเดินบนเส้นทางนี้เราปรารถนาอะไรเราต้องการให้เกิดผลแบบไหนอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์วางรูปแบบไว้เนี่ยเราต้องเข้าใจทิศทางการปฏิบัติถ้าเรามีความ ตั้งใจหรือมีความจริงใจทางด้านการปฏิบัติแต่ละลําดับแต่ยังเกิดความเบื่อหน่ายอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะความเบื่อหน่ายก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติพระอาจารย์ก็บอกยอมรับตรงๆว่าพระอาจารย์ก็เคยประสบกับภาวะการเบื่อหน่ายนี้มาเหมือนกันแต่ไปประสบตอนตอนที่จิตมันไม่สามารถพัฒนาไปได้อีกแล้วหมายถึงว่าปฏิบัติไปในระดับหนึ่งมันได้รับผลดีในระดับนั้นพอได้รับผลดีในระดับนั้นแต่ไม่สามารถปฏิบัติไปต่อในระดับต่อไปได้ มันก็อยู่ในระดับเดิมเนี่ยไปต่อไหนไม่ได้มันก็เฮ่อรู้สึกเบื่อแล้วอ เ, เนี่ยพอรู้สึกเบื่อมันก็เริ่มหยุดพอเริ่มหยุดก็เริ่มหย่อนพอเริ่มหย่อนก็เริ่มเอาละจิตใจก็เริ่มเป็นไปตามประการต่างๆนานาที่จะเข้ามาแทรกจึงพยายามหาวิธีการหาอุบายอยู่ตลอดเวลาในการที่จะปลุกจิตดึงใจของเราขึาา้นมาฟังเทศอุบายอาจารย์ฟังทำขที้เกียจแค่ไหนก็ฟังอย่างพื้พยุงจิตให้อยู่เนี่ยพอถึงจุดหนึ่ง มันจะมีจุดสตาร์ทเริ่มขึ้นมาใหม่ขึ้นไปสู่การปฏิบัติมันจะสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ดิเบื่อบ้างแล้วก็ขยันบ้างเบื่อบ้างขยันบ้างเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในระหว่างการปฏิบัติจนเกิดการอยู่ตัวพอมันอยู่ตัวมันแล้วปับ๊บมันก็จะไปได้ง่ายในเวลานั้นแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ะก็ให้เข้าใจได้เรียนรู้อย่างเนี้ยหมดคำถามคำถามไม่หมดแต่เวลาหมดข อ, ขออีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งค ำ, คำถามคำถา ม, คำถามสุดท้ายที่มีอยู่จริง ความนี้เกี่ยวกับโบสถ์กลางน้ำนะเจ้าคะ่ะ น, น้อมกราบนมัสการขอความเมตตาสอบถามเจ้าคะ่ะเรื่องการมีพระพุทธรูปที่โบสถ์กลางน้ำสิทธิจะอธิบายอย่างไร <c oughs> เมื่อมีคนถามว่าพระอาจารย์ของเธอไม่ให้มีพระพุทธรูปไม่ให้ยึดพึ่งวัตถุ แล้วทําไมถึงทํำเองขอความเมตตาเจ้าค่ะพระพระพุทธรูปที่อยู่กลางน้ําพระอาจารย์ไม่ได้ทำเองโยมเขาจัดหามาให้มันครบองค์ประกอบของพระอุโบสถการที่พระอาจารย์สอนในเรื่องของพุทธรูปไม่ได้หมายถึงว่าพระอาจารย์ปฏิเสธพุทธรูปนะอาจจะเป็นการตีความหรือสร้างความเข้าใจผิดของแต่ละคนการที่พระอาจารย์ไม่มีพระพุทธรูปนั้นเพราะต้องการทําให้ได้ทราบว่า การจะมีพุทธรูปหรือไม่มีพุทธลูปมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติกับตัวเราและสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์มองเห็นมาโดยตลอดก็คือพระพุทธรูปที่ถูกนําไปสู่การสร้างพุทธพาณิชย์ทําให้พระพุทธศาสนาอ่อนแอแล้วตรงเนี้มันจึงเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พระอาจารย์จะไม่ซ้ําเติมความอ่อนแอของศาสนาตรงนี้ลงไปแม้พระอาจารย์จะไม่ได้ทําเป็นพุทธพาณิชย์ เลยแต่ความเป็นพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นก็ต้องสูญเสียจํานวนซับไปเป็นจํานวนมากเคยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมากลาวพระอาจารย์ก็ตั้งคําถามเดี่ยวด้ยกันว่าที่นี่ทําไมพระอาจารย์ไม่มีพุทธรูปพระอาจก็เลยบอกว่าโยมหมอที่มาที่นี่เนี่ยถ้าพระอาจารย์สร้างพระพุทธรูปห้าสิบล้าน กับสร้างตึกที่โรงพยาบาลห้สบล้านเนี่ยโยมหมอจะเลือกเอาอะไร ห, หมอเขาบอกเลือกเอาตึกที่โรงพยาบาลนั่นหมายถึงว่ามันจะมีประโยชน์ต่อผู้คนในด้านที่หมอที่ท่านต้องการจะเป็น่ะฉะนั้นการสูญเสียทรัพย์ไปพระอาจารย์มองว่าเราควรจะใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆพุทธรูปมีเยอะมากจนเกินความจําเป็นที่จะมีแล้วเราสร้างกันมาจนทิ้งลบล้างกันไปสักเท่าไหร่ก็ตามแน่นอนพุทธรูปเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพุทธานุสติก็ ก, ก็ก็ขึ้นอยู่กับเราจะให้ความหมายแบบนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่พุทธานุสติเนี่ยมันมีคําว่าพุทธากับสติอยู่สติคือตัวระลึกการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ไม่มีพุทธลูบเราก็สามารถระลึกถึงพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการที่พระอาจารย์ไม่มีพุทธลูบไม่ได้หมายถึงว่าพระอาจารย์ปฏิเสธพุทธรูปพระอาจารย์ก็ยังยอมรับการมีพุทธลูบแต่พุทธรูบที่นํามานี้พระอาจารย์ไม่ได้สร้างเพราพุทธลูบที่นํามานี้เป็นการบริจาคจากผู้ที่เขาสร้างอยู่แล้วและไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าให้พระอาจารย์เสียเงินเพื่อสร้างพุทธลูบพระอาจารย์ก็ไม่ทําเพราะพระอาจารย์เชื่อว่าทรัพย์ที่จะนําไปสู่การสร้างประโยชน์กว่านี้ยังมีอยู่ แต่การได้มาซึ่งพุทธรูปนี้มันเป็นเกิดจากการอุทิศของผู้ที่ต้องการประสงค์จากํามาในพระอุโบสถนี้ฉะนั้นเรื่องบางเรื่องถ้าเราไม่เข้าใจมูลเหตุของสิ่งสิ่งนั้นเราก็ควรจะวางใจเป็นกลางจะเป็นผลดีกว่าเพราะว่าการมีพุทธรูปถามว่าเสียหายไหมก็ไม่ได้เสียหายการไม่มีพุทธรูปเสียหายไหมก็ไม่ได้เสียหาย พระอาจารยลังจะบอกและทําให้เราได้เข้าใจว่าในระยะเวลาของการมีอยู่ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่หลังพุท ธ, ธปฏิทิพผ่านจนมาถึงปี 2,567 ปียุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดคือยุคที่ไม่มีพุทธรูปไม่สร้างพุทธรูปคือยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชเพราะเขามุ่งสร้างหลักคําสอนและทําให้คนเข้าถึงหลักคําสอนเอาไปปฏิบัติ บ, ตบนชีวิตของเขาได้อย่างเต็มที่จากนั้น การมีพระพุทธรูปก็ส่วนที่มีก็มีพระอาจารย์ก็ยอมให้มีพระอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธการยอมให้มีก็ได้ทำให้มันเกิดขึ้นและทำให้มันมีแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่เจ้าตัวได้บริจาคโดยตนเองไม่เคยเรียอะไรไม่ได้เคยขอเงินใครมาสร้างหรือไม่ประกาศให้คนมาสร้างนี่คือ พระอาจารย์พระอาจารย์มุ่งสอนให้พวกเราให้ศึกษาเข้าถึงธรรมะยึดถือพระธรรมเป็นสาระสาคัญก็ตรงกับหลักการที่พระองค์ตรัสสอนว่ายึดถือพระธรรมนี่แหละเป็นสาระสาคัญแต่ว่าสร้างพุทธลูกเกิดบุญไหมเป็นบุญในส่วนที่ทําให้เกิดเป็นพุทธานุสตินะเป็นบุญแต่ถ้าว่าเป็นพุทธานุสติคือพุทธานุสติจริงๆนะไม่ใช่พุทธลูปะปานุสติ คือพุทธานุสติก็พุทธานุสติแต่ถ้าเป็นพุทธลูปานุสติเนี่ยก็จะขลาดเคลื่อนเหมือนกันอันนี้ถ้าจะเป็นดรามาหรือจะเป็นคาําด่าที่ไม่พอใจกับการอธิบายแบบนี้ก็ดา่ามาด่าพระอาจารย์อย่าไปด่าคนอื่นอย่าไปด่าใครต่อใครเขาม่วกรันไปหมดนะเพราะว่าต้นเหตุทั้งหมดมาจากพระอาจารย์อะไรก็ตามที่พระอาจารย์อธิบายออกไปแล้วเนี่ย ไม่ถูกใจหรือไม่เป็นไปตามที่พวกเราต้องการนะก็ขึ้นอยู่กับพวกเราเองที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็วางในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เองด้วยตัวของตัวเองแต่จุดมุ่งหมายของพระอาจารย์เพื่อต้องการอยากจะให้พระศัทธธรรมสอนของพระสมมาสมภเดชเจ้าได้ถูกลับรู้และถูกนําไปสู่การปฏิบัติแล้วต้องการอยากจะสร้างความเข้มแข็งของศาสนาให้เกิดขึ้นในยุคนี้ให้เราใช้คําสอนของพระเดชเจ้าบนชีวิตจริงของพวกเราให้ได้มากที่สุด ขออนุโมทนากับพวกเราที่รับฟังมาจนถึงช่วงท้ายของการไลฟ์ในวันนี้ก็บุญกุศลเราไดที่บังเกิดขึ้นในโอกาสนี้ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นจงหนุนนําจิตใจของพวกเราทุกคนให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนพ้นจากเวรภัยปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีสติปัญญารู้แจ้งกระแสะแห่งพระธรรม ของพระสมมาสามพุทธเจ้าปิดอบายภูมิให้ได้อย่างถาวรตลอดการปัจจุบันและเบื้องหน้าทุกคนเทิน